بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقبته للمتقين و ا ع د و ا ن إلا عن الظالمين وصلي وسلم على شرف ل و ل ي ن ا ل آ خ ر النبي ن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال إن قام مسلم عليه تناجتي رسول تجمع ه ر ي ا تفسير มุสลิม่าที่มีประจำเดือนก็ทราบกันดีนะครับว่าที่นี้ยึดในทศนะที่ว่ามุสลิม่าที่มีประจำเดือนเขาไม่สิทธิ์ไม่ได้มีข้อห้ามพูดอย่างนี้เพราะมันมีทศน่ะที่บอกว่าเขาได้มีทศน่ะที่บอกกับเขาได้แต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีต้องใช้ทศน่ะหนึ่งทศน่ะใด นะครับก็คือคนที่ดูและมะสัสซิดคืออิมอามนั่นแหละหรือกรรมการของมสัสซิดนี่จะเป็นคนกาหนดว่ามสัสซิดนี่ใช้ทัศนะไหนนะครับก็เห็นใจมุสลิมาที่มีประจําเดินแล้วก็อยากจะมาเรียนจะไม่สามารถขึ้นมาที่นี่ได้มีทางเลือกอย่างหนึ่งก็คือนั่งข้างล่างนะครับทีบ่ห้องรับประทานอาหารนี่ก็จะมีไม่แต่มันมีขอด้อยนิดหนึ่งเสียงไม่ค่อย ไม่ค่อยดีนะครับสถานที่ก็มีแอร์มีอะไรทุก อ, อย่างแต่เสียงไม่ค่อยเสียงมันกรอกหน่อยก็ต้องขออภในความไม่สะดวกเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่มีทางเลือกที่สองนะครับก็คือมุสลิมมาดูทางบ้านนะคือต้องรอต้องรอช่วงที่เขาเปิดเทปอันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงวันศุกร์กับวันอาทิตย์ถ้าจะไม่ผิดวันนี้ก็เป็นอายาหนึ่ง อีกหนึ่งอายะที่มีความสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุรยูนุสดยตรงอย่างที่เคยคุยกันนะว่าสุรยูนุสเป็นสูรรที่ดูปรธานลงมาเพื่อโต้ตอบโต้เถียงหรือสนทนาธรรมกับบรรดาอุชริกีนในเรื่องว่าด้วยการปฏิเสกอุษานั่นแหละนี่คือสาระหลักของสุรร์แต่สาระอื่นนมันก็คือ เป็นเรื่องที่ อ, อยู่รอบๆรอบๆสาระนี้ทาไมทาไมไม่ยอมรับในกุณอ่านทําไมไม่ยอมรับในศัตธรรมของวจนะของพระเจ้าทําไมไม่เชื่อมีเหตุอะไรที่ไม่เชื่อนี่คือสาระสำคัญและเราต้องเข้าใจอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเราจะเข้าใจกุณอ่านอย่างซึ้งเลยนะเราต้องอัญเชิญบริบท ของยุคนั้นนะ่ะที่อ่ากุฎอานถูกประธานลงมาเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าและทำไมทําไ ม, าไมอายันนี้ทำไมสุรานี้ถูกประธานลงมาแล้วก็มันมีความสําคัญยังไงถ้าเราไปอยู่ในช่วงนั้นนะ่ะแล้วก็พยายามจินตนาการว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราจะอ๋อมันมันเพราะแบบนี้บางคนนี่อ่านกุฎอานทันทีแล้วก็มองข้างๆคือเขาขเข้าใจว่ากุฎอานนี่จะต้องเป๊ะ ในทุกเรื่องที่อยู่รอบข้างซึ่งมันไม่จําเป็นเสมออาจจะมีความเกี่ยวข้องทางอ้อมก็ได้หรือเชิงปรัชญานี่ได้เวลาเ ป, ะเปะ๊ะๆแล้วทําให้คนหลายคนนี่เพี้ยนในการเข้าใจในในคุณค่าของคุตตานเพราะกุตตานนี่ไม่เห็นพูดถึงเรื่องเรื่องปัจจุบันเลยไม่เห็นพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเลยในยุคนั้นนะครับการยอมรับในกุตตานนี่ถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นเป็นวาระแห่งชาติเลยคาบสมงบอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องว่ามีบุรุษคนหนึ่งออกมาบอกว่ามีพระเจ้าที่ส่งสารส่งคำพูดวาจะนะมาอย่างประชาคมโลกพันบุรุษคนเนี้ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวอาหรับจ ะ, จะรับอย่างที่บอกอาหรับนี่ไม่เคยพบนบีเนี่ยกี่ปีนะห้าห0ห้าพันหรือห0พ0ปีไม่เหมือน บ, น ร, บนรอุษลายบรุษลอินนี่บรรดาอานบีนี่มายังก็มายังกับข่าวช่องสามเนี่ยมาบ่อยถ้ารัามีนบีมาเนี่ยสาระของ คัมภีร์ไม่มีพูดหนึ่งทําไมไม่ทำไมปฏิเสธคัมภีร์ทําไม่ค่ยมีเรื่องนี้บรรอิสราญ น, นี่ก็มีนบีมามีหลักฐานชัเจนนี่นก็ยอมรับยอมเชื่อฟังแต่อารับนี่ไม่ใช่ฮะนบีอะไรนะมีพระเจ้าพูดกับ น, นบีคนนี้ด้วยหรอแต่ว่ามีมีคอโตแย้งหลายเรื่องแล้วทำไมแล้วทำไมพระเจ้าตจงเลือกคนนี้ละ่ะทําไมไม่คนอื่นบ้างอ่ะอะไรเงี้ยอะไร ถิงตองแบบนี้แต่มันอยู่ในวาระว่าว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะแปลกพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธอยู่แล้วไงแต่พระเจ้าจะมาพูดกับมนุษย์มนุษย์เหมือนเรานี่นะมันเป็นเรื่องแปลกจะได้พิสูจน <inter Hob art> ์ความวิเศษของคําพูดน mar ี mond, ้เนี่ยว่าไม่ใช่คําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาไม่ได้กูกขึ้นมาไม่ได้มุสสา เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีความสุดจริตใจของคนที่รับสารคือรับฟังอัลกุรอานฉะนั้นอาหรับที่เขาเปิดใจมีความบริสุทธิ์เนี่ยเขาศรัทธาง่ายเพราะเขารู้ว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยจะเป็นคำพูดของมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาก็ศรัทธาแต่อาหรับเนื่องจากว่า อยู่ในบรรยากาศทะเลทราส่วนมากก็เป็นชนบทเป็นอารอบอารอบอารอบชนบทอยู่ทะเลทรานี่ก็พอละกระดา้างไม่เชื่อง่ายทําไมอยู่ในในสิ่งแวดล้อมที่มันหลอกลวงเยอะเนี่ยเดินไปไหนนี่ก็มีแต่น้ําอยู่นี่ สุดข้อฟ้านี่มีน้ําตลอดเนยพอเดินไปไม่มีน้ําเลยเดินไปแต่ก็มีนะไม่ไม่ใช่น้นํานี่ฉะนั้นเขาไม่เชื่อง่ายๆกระด้างเลี้ยงอูดอูดนี่ซึมซับมารยาทคือนิสัยสันดานของอูดนี่กระด้างเหมือนกันนบีจึงบอกว่ามันมันบดดาเจ้าาใครที่เป็นบดวีเป็นชนบทเนี่ยเจ้าาคือจะกระด้าง อบีจงึงส่งเสริมให้ชาวอารอบเนี่ยได้อพยพมาอยู่ที่ม ด, ดีนาจะได้เป็นชาวเมืองเพราะคนชาวเมืองนี่จะมีอรารยะมากขึ้มีอรารยะมันมีความรู้มากขึ้นใช้สมองมากขึ้นเลี้ยงอูดนี่ท่านท่านอบีบอกว่าคนที่เลี้ยงอูดนี่ก็จะมีมารยาทกระด้างเหมือนสังคมระดับช่วงหลังนี่ก็จะเป็นสังคมวัตถุนิยมมากขึ้นอินดอกเบี้ยเรื่นการพานัน แสวงหาผลประโยชน์อยู่ระหว่างสองอารธรรมยิ่งใหญ่เปอร์เซียกับโรมันต้องเอาตัวรอดฉะนั้นถ้ามีใครจะมาพูดเรื่องที่มันเหนือวิสัยนี่เขาก็เาจะรับคนข้างยากจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะอัลเไดเอามาเป็น อีกหนึ่งวรระหนึ่งประเด็นในการโต้แย้งหรือโต้ตอบโต้กับกับคนที่ปฏิเสธคุรอ่านซึ่งมันจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายในเรื่องนี้นะในเรื่องนี प प ้เรื่องการปฏิเสธใน39เนี่ยพูดถึงเรื่องรีบปฏิเสธก่อนที่จะตรวจสอบทำไมรีบปฏิเสธ มีโอกาสที่จะศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะพิสูจน์สัจธรรมของกุรอ่านทำไมรีบยังยังยังไม่อะไรยังไม่ทานอะไรเลยทำไมรีบล่ะซึ่งเนื้อหาของอายานี่เนี่ยมีความสําคัญมากในเรื่องว่าด้วยนโยบายของกุรอ่าน ในการประวิงเวลาให้คนที่กําลังศึกษาถ้าคนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่นะฉันไม่ได้ปฏิเสธนะแต่จะขอศึกษาได้ได้เลยและมีมีเวลาไม่ไม่มีไม่มีเวลาเคยบอกกับพี่น้องว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งถ้าเขาจริงแล้วเนี่ยเขาศึกษาถึงเสียชีวิตและอยู่ระหว่างการศึกษานะไม่ถือว่า วันเกียมาเนะไม่ใช่ต่อหน้าประชาต่ตอหน้ามนุษย์นะวันเกียมาเนี่ไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้เขาอยู่ระหว่างการศึกษาแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแอบอ้างนะถ้าเป็นเรื่องจริงในวันเกียรมาเนี่อัลลอฮฺไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธทานะจะจะมีอาจจะมีการทดสอบจะเข้าข้อสอบมีสัมภาษณ์ประวิงเวลาให้แต่ต้องอยู่ระหว่างการศึกษา a l l า h ก็บอกว่าทาไมรีบปฏิเสธละ่ะมันยังมีเวลาที่จะพิสูจน์ความสัจจริงของอัลกุรอานเรื่องนี้มันก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกุรอานเกี่ยวกับหลักการศาสนาที่เราอาจยอมรับคือเชื่อแล้วแต่ไม่ไม่ยอมปฏิบัติเพราะลังเลว่ามันดีไม่ดีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันใช่ไม่ใช่ บางคนก็รีบปฏิเสธรีบปฏิเสธหลัการศาสนารีบปฏิเสธตัวบทบางตัวบทก่อนที่จะตรวจสอบหรือแม้กระทั่งจะเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตของเราในทุกเรื่องที่มันเป็นความถูกต้องหรือเรื่องที่เรารีบปฏิเสธแล้วก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่มีคนพูดอะไรคนน่าเชื่อถือหรือใครที่มาพูดอะไรที่น่าเชื่อถือแล้วก็รีบปฏิเสธ โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ข้อสังเกตนะครับว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานาลฺได้ตำนีการปฏิเสธของมุชุริกีนคือปฏิเสธสืบเนื่องจากอารมณ์ปฏิเสธรีบปฏิเสธเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นฐานข้อมูลดาตาข้อมูลที่จะเอามาใช้ในการปฏิเสธไปก่อนคือปฏิเสธไว้ก่อน ซึ่งการปฏเริเสธของอาหรับนี่ก็จะมีหลายเหตุผลนะอาหรับบางกลุ่มนี่ปฏเิเสธเพราะอิจฉาท่านนาบีอย่างกลุ่มหนึ่งของกูเรชที่เป็นตระกูลใหญ่ที่เป็นคู่แ ข, ข่งกับบรรูฮาชิมสายตระกูลของท่านนาบีตระกรูลกูเรชนี่มีสองตระกูลหลักๆตระกูลเอ่อตระกูลบรรูอันบดุนบนชัมสและก็ตะกูล ตรกูลบานูเฮชิมอก็อับดิชัมสกับบาชิมเนี่เป็นพี่น้องกันแต่ลูกหลานเขาเนี่ยก็กลายเป็นสายตระกูลสองสายที่มีการแข่งขันในการบริหารปกครองมากใครทำอะไรนี่ก็จะฝ่ายหนึ่งก็จะต้อง คนนี้จัดวอลีมา้าเดี๋วคนคนต้องมากินเนะวอลีม้าก็ต้องคนต้องมากินใช่ไหมล้มอูดสาสบตัวสายนู้นนะ่ยทำามาวอลีว้าถัดมานี่น้อยหนะ้าไม่ได้นะต้องมากกว่าเอา้ามีจนาจา้าคนตายเลี้ยงลง้มเพราะคนมาจนาจ้านี่มาแสดงความเสียใจก็ต้องเลียเล้ยงดิเลี้ยงนี่ก็ต้องลง้มล้มล้มอูดล้มบัว พอเยนาารซาอีกคนหนึ่งอีกสายนุ้นนะ่ะเฮ้ยไม่ได้เยนรซาของคนนุ่นน่ะสิบ ต, ตัวของชั้นนี่ต้องสิบห้าตัวเนี่ยแต่กรณีนี้เรียกว่าเ ah ah นียฮะนบีก็เลยบอกว่าเนียเลี้ยงอาหารหนี่เว้ยมันจะมันจะมันจะกลายเป็นสนามแข่งขันกันนบีก็เลยห้ามเลี้ยงอาหารนี่ที่ไปที่มานายบีก็เน ah ah ียคะพวกของพวกยาฮิเลียนี่คนที่เขาเอาเรื่องทําบุญนี่มาเป็นมาเป็นการแข่งขันทุกเรื่องอะนะ ทุกเรื่องที่เอามาแข่งขันและเปืองทรัพยากรนี่สังเกตดูเลยอิสลามนี่จะห้ามนี่เรื่องนี้ทาบุญในเลี้ยองอาหารใ น, นเรื่องดีไหมดีแต่ถ้าทําจะได้แข่งขันนะ่ะนะไม่ดีเล่นเรื่องเล่นธรรมดาเล่ น, ล น, ดลนได้แต่จะมาแข่งขันกันแล้วก็มีพนันเมียอะไรเนี่ยไม่ได้แข่งแข่งกันไม่ได้เอ้ ett, มากินกันด้วยดิใครจะกินมากกว่าใครที่ที่นี้นคลิปเยอะนะ ผมไม่รู้เขกินกินจริงกันหรือ่านถ้ากินได้นี่ได้เท่านี้อ่าแล้วก็จับตังวันนี้ดูเนะี่ยะให้เลยเนี่ยท่านนาบีห้ามเลยนะฮอัตอามิลมุตบรยีนีา น, นาบีห้ามคนที่กินอาหารที่ไว้ทำแข่งขันการแข่งขันในเรื่อง ถูกเรื่องอะนะผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีศา ส, สนาไม่ส่งเสริมเพราะการแข่งขันนี่ส่วนมากนี่มีแต่เรื่องโอ้อวดจริงมหมแต่เราจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมเรื่องที่ดีอันนี้ได้แข่งขันให้ท่องจํากุรานแข่งขันให้เรียนวิชาวิชาที่วิชาชนวิชาวิทยาศาสตร์ได้แต่ห้ามเอา เอาโล่เอาถ้วยเอาอะไรนี่มาโ อ, อ้อวดถ้าถึงขั้นที่เอามาโ อ, อ้อวดนะแล้วก็ดูถูกคนอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อห้ามละ่ะศาสนาไม่ส่งเสริมให้เรื่องดีๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องโ อ, อ้อวดเพราะมันบั่นทอนคุณภาพของความรู้และวิชาการที่ได้มาส่วนหนึ่งของอาหรับนี่เขาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธนบีเพราะเพราะอิจฉาเรกกากกาลา่ากำลังเล่าว่า บรรพบุุษชัมแกับบรรพฮามิมนี่ก็เป็นสองสายตระกูลบรอพบุุษชัม้มจะแข่งขันเลยเนะี่ยบรรพุรฮาชิมนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องแข่งเขาก็ต้องล้าจนกระทั่งบรรพุรฮาชิมนี่ยเขามีนบีเฮ้ยแล้วเราจะเอานาบีมาจากไหนวนีจะไปหานาบีมาจากไหนเนี่ยมันเรื่องนี้มันมันเหนือความสามารถของเราวิธีเดียวก็คือเอ้ยไม่ใช่นบีมันจะได้เสมอกันไงเอ้ยไม่ไม่ใช่นบีแสดงว่าเสมอกัน มันเบื่อดือมากเลยนะแบบนี้อีกกลมุมหนึงไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่ได้อิจฉานับีหรอกไม่ได้อิจฉาใครหรอกแต่กลัวเสียผลประโยชน์เป็นเจ้ามือเป็นเจ้าพ่อการพานันโสเพณีดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้โอ้ทาหลักการศาสนาศีลธรรมทั้งนั้น่ะเราอยู่ไม่ได้หรอกรต้องปฏิเสธเล่าเรื่องหนึ่ง มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะแต่สมัยน บ, บีกำลังที่สนาที่มักกะเนี่ยกำลังดาว่าที่มักกะเนี่ยเริ่มและไอ้ไอ้พวกโซเภณีเนี่ยเริ่มรู้แล้ว่ามีมีมีข้อมเสียหายเนี่ยมรสดอับดุลอบีมัรัด์อัลกันวีเป็นสหายคนหนึ่งที่เคยมีประวัติหมายถึงว่าเคย เป็นลูกค้าประจําของพวกนู้นลูกค้าประจําจนกระทั่งคือพวกผู้หญิงสเภณีเขาจำหน้าได้เลยเนี่ยรู้เนี่ยอีกอนนี้มรุเซอร์บรับอิสลามพอรับอิสลามแล้วเนี่ยฮิจรราะนาบีแต่งตั้งให้มรุเซอเนี่ยมรุสเซอร์ละนาวีเนี่ยดูแลคนอ่อนแอที่มักกะที่อยากจะฮิจรราะแล้วก็ฮิจรราะไม่ไหวคนแก่คนจนคนอะไรเนี่ย มาร์ซันี่ก็จะมามาจากมา ด, ดีน่าเนี่ยเดินทางมาคนเดียวเลยนะแล้วก็เข้ามาท่วงกลางคืนเอาใครทีอยากจะฮิจโรนเนี่ยก็ยกกไปบ้านแล้วก็ไปอุ้มเขาไปพาเขาไปจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งพาคนแก่คนนึงจะอพยพยจากมากีน่าไปมา ด, ดีน่าเนี่ไปเจอสโสเพนีคนหนึ่งอ่ะมารซันเอ้ยมัร์ซันไปไหนมามามามามามามาว่าม า, าม า, ม า, ม า, มาใช้เวลาเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไง มารุษนี่นี่นี่แหละนบีฮิจรรัตเลแสดงว่าสวพนี้ก็ยังมีง ย, งยังยังยังขายบริการกันอยู่นะยังไม่จบนะเพราะศาสนิ ต, ตอบยัไงไยะบยบอะไรแยวอะไรกับอิสลามสําหรับข้าพเจ้าและเธอนะสิ่งที่จะห้ามเราทั้งสองนี่คืออิสลามโอ้แน่นอนเรื่องนี้มันก็ถู ก, ถกรายงานไปยังเจ้าพ่อคนที่คุมธุรกิจเนยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ กลุมหลายกลุมที่จนปีที่แปดดิสลนตนี่ก็ยังไม่ยอมรับอิสลามกันนะนบีนี่ไปแล้วทั่วข้าบสมุทรอาหรับนี่จะศรัทธาต่อบนบีแล้วคนที่มักกะเนี่เป็นเมืองอหญ่เป็นเมืองหลวงไงดัง น, น, น, นั้นนบีก็ไม่ได้สนใจที่จะไปพิชิตเมืองอื่นๆเพราะไม่สําคัญเท่ากับมักกะเป็นเมืองหลวงอะ่ะพิชิตเมืองหลวงก็เท่ากับคุมทั้ง ทั้งพื้นที่ทั้งแผ่นดินอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธท่านนาบีเพรา ะ, ะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสองจิตสองใจกลุ่มที่รอดูก่อนนบีมุฮัมมัดนี่มีความจริงศาสธรทำชัวร์แน่นอนแต่เรายังไม่รู้นี่ว่า ม, มุฮัมมัดนี่กำลังสู้กับกุเรชนี่ใครจะชนะถ้าเราจะรีบไปศรัทธาต่อนบีและกับกูเรชนี่ จัดการนบีชนะนบีนี่ยเราก็ซวยดิซวยนี่พอไปเลือกข้างนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาแล้วถ้าเราไปไปเชียร์กูเรเเชเนี่ยแล้วสมมุติว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ชนะเอาละเราก็ซวยเหมือนกันนะดีที่สุด น, นี่คืออะไรเฉยเก็เฉยเคนอันนี้คือนโยบายที่แผ่นดินสยามนีใช้กันเยอะใช้เยอะ เฉยๆก่อนดูว่าดูท่าทีเนี่ยนะท่าทีเนี่ยก็คือนี่คือเคล็ดลับของทำไมมีวันหมาหอนน่ะนี่เนี่ยคือวันที่ไอ้พวกนี้ตัดสินใจไอ้พวกนี้ตัดสินใจในช่วงนี้ช่วงหมาหอนไม่ไม่ไม่ออกตัวจะออกตัวเมื่อไหร่นี่ยออกตัวนู่นออกตัวในในเขาจะกับอะไร หามีอัลลอฮได้ประทานกุรตาลงมาเกี่กับกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะมลืมลอญญายอยู่สรตลเบียกก็มีหลายเหตุผลมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องศัจธรรมของกุรตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ เราไม่สามารถพิสูจน์ได้และเรามีไม่มีเวลาพิสูจน์ปฏิเสธไปก่อนนี่กลุ่มนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์สุภาเนวตาระมาพูดกับเขาในอายะที่สามสิเก้าเบลคดบุบีมาลัมยุฮิทุบิอิลมีฮิวลัมมาเยติห์มเตอวิลูฮุคดะลิกคดัลมะลื่นนมินควบลิห์มฟันร ي านอาอิบะตุลลิมีอัลล์บอกว่าแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธ สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อนบแต่ว่าแต่ว่านี่สิบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขานี่จะหรือว่าพวกเขานี่จะกล่าวหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมว่าเป็นผู้ที่เรียบเรียงหรืออุปโลกกุตรอ่านขึ้นมาเองหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อนใช่ โครงสร้างของอุษานเนี่ยไม่เคยไม่เคยปรากฏกับจารีดของจารีดและวิธีของอับชาวกูเิชเก็เคยประชุมกันนี่ช่วงหัจ์ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะมาจากทุกสารทิศนะและมุฮัมมัดจะต้องไป รอเร็วเสิร์ฟเราจะต้องไปอันนี้ผมผมรายงานว่าเขาเขาาค ง, ง, งไม่ได้กล่าวสโล ล, ล์ใช่ไหมเขากล่าวมุฮัมมัดอย่างเดียวแต่เราก็ต้องสลาวานมุฮัมมัดก็ต้องไปไปเสนอตัวไปไปดาวะคนที่มาจากทุกซอกทุกมุมของคาบสมุทรอาหรับแล้วถ้าคนไปฟังเขาแล้วก็เอา้าแล้วเราจะจะปล่อยให้ให้คนเชื่อศรัทธา ง, ง่ายๆแบบนี้หรอ ไม่ได้เราต้องมีนเราต้องมีคนประกบประกบเลยนะนบีไปไหนก็ต้องมีคนประกบแล้วบกว่าไม่ใช่นะคนที่เป็นอย่างแต่เราจะใช้วดดิ้งเราจะมีเหตุผลอะไรที่จะบอกกับชาวบ้านคือถ้ามาดูในในยุคนี้เนี่ยไม่มีเสรีภาพเท่ากับสมัยกุเรชนะปล่อยให้ท่านนาบีดาว่านะปล่อยท่านนาบีดาว่านะ และตัวท่านนบีเองเนี่ก็ไม่ขัดข้องไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยนะฉันจะไปดาว่าของฉันมีใครจะมาประกบและมาพูดอะไรนี่ฉันก็ไม่ว่าแต่ปล่อยให้ฉันพูดดูเหมือนมีสัญญาใจก็เออเองก็พูดของเองนะเราก็พูดของเราเอออยู่กันได้นะ่ะสิบสามปีนี่อยู่กันได้เนี่ยไม่ได้สู้รบไม่ได้แต่มีมีกันแกล้มมีอะไรเนี่ยแต่ก็ปล่อยพูดเไงแต่ปล่อยให้นบีพูดคิดดูสิไม่ห้ามนาบีไม่ไม่อะไรนบีนบีไปพูดอะไร ปล่ยนะแต่มีคนประกบแต่เขามามาปรึกษากันว่าจะพูดอะไรกับชาวบ้านนะบางคนก็บอกว่าอ๋อเป็นแช่เป็นคนนี่เป็นกรอนเขาเป็นนักแต่งกรอนเอาแล้วก็เป็นถ้าเป็นกรอนแล้วเนี่ยก็เหมือนกรอนพวกเราอะนะคนก็จะไม่เชื่อผู้ใหญ่คนนึงผมกูได้บอก็ไม่ใช่เหตุผลไม่ได้เรื่อง เราเนี่ยเป็นนักแต่งเรารู้นี่ว่าคุตตานของนบีนี่ไม่ไม่ใช่กนเรายืนยันเองได้นี่ว่าไม่ใช่กนเราอย่าไปตอแหลชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่กรแล้วเป็นอะไรอะ่ะก็เป็นเป็นกะหานะกะหานะเนี่ยตะกอนนู้นเน่ยมันจะปิดปิดพวกพวกหมอดูแล้วหมอดูตะก่อนนู้นน่ะมีความรู้หมอดูตะกอนนู้นเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาดูดวงดูอะไรอ่ะนะ เข้ามาพูดเป็นเป็นคําและเป็นคําที่มีแบบว่ามีความสวยงามอะ่ะเออไม่ใหมอดูยุคอื่นนะพูดแล้วหนึ่งบางทีไม่รู้เรื่องเลยซึ่งคําพูดของพวกกราานะ h a n นี่มันจะสวยงามเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนหมอดูเลยเป็นแก้หินเป็นแก้หินแก้หินหมอดูอะ่ะอีกคนยังก็ไม่ใช่ เราก็เราก็ไปเ ค, เคยไปหาพวกหมอดูนี่เรารู้สำนวนเขาเป็นยังไงนี่สำนวนกุรอ่านนี่ไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนอีกคนหนึงข้อเสนอสุดท้ายเนี่ยบอกว่ากล่าวหามุฮัมมัดนี่ว่าเป็นนักเสียศาสตร์นักเสยศาสตร์พูดพอพูดอะไรเนี่ยก็จะเคลิมคนเคลิมนี่เปลี่ยนเลย จากคนที่บูชาจเจวดเกียดตยิเวดจะคนทีเ่เข้าได้กับสังคมดื่มเหล้าอะไรเนี่ยเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนเลยนี่ไงเปลี่ยนแปลงเนี่ยพดโดนของอ่ะโดนของของ ม, อมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักเสแสร้งปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ใช่กันบ่อยใช้กันบ่อเรื่องอื่นเหตุผลอื่นเ น, นี่ยมันมันตกแล้มันไม่เคยมีใครเชื่อไงใช่เรื่องนี้บ่อย ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนที่เลือกเรื่องนี้เนี่ยเาบอกว่ามันไม่มีเรื่องอื่นที่สามารถพูดได้นอกจากเรื่องนี้เพราะเหตุผลอื่นๆนี่เรารู้ว่ามันมันไม่น่าจะใช่เคุอ่านนี่เป็นอันนี้คาพูดของชาวกคเรชนะคุอ่านนี่เป็นคาพูดที่มีความสวยงามตอนต้นตอ น, ตอ น, ตอนปลายนี่ใครฟังแล้วก็แล้วก็จะรู้สึกมีบางรรงงานบอกว่าชาวโคเรชเนี่ย จะแอ บ, บกลางคืนเนี่ยมาฟังท่านนาบีอ่านกุตอานตอนละหมาดเกียร์มุลิลมาแอบฟังนี่เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นคำพูด ท, ที่สวยงามคืตัวตัวกูริชนี่แอบบมาฟังนะแต่เวลาคนมาฟังเนี่ยเขาจะห้ามไม่ฟังปรากฏว่าพอช่วงฮัจมาเนี่ยก็จะมีคนที่ประกบประกบท่านนาบีสุลต่แล้วก็จะเตือนโอ้ย oh, อย่าไปเชื่อเขานี่เนี่เป็นนักเสศาระวังนะ แล้วก็มีหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจบารมีแล้วก็มีความรู้ด้วยก็ก็กมานี่ก็ต้องมาคบกับเจอกับผู้ใหญ่ของกูรชเนี่ยสาวกูรชก็บอกว่านี่ระวังนะตัวเองระวังนะมอตวาฟนี่ระวังคนนี่ที่นั่งอยู่ตรงนู้น น, น, น, น, น, นูระวังนะเข้าข้างๆเข้าหนึ่งเข า, เเขากำลังพูดพูดอะไรนี่เขาเขาเขาอ่านกระถา ถ้าตัวเองโดนกระฐานิเคิมเลยนะหลงเลยนะเป็นเรื่องเล้วจะให้ทํายังไงเอาสําลาีมาอุดอุดเลยฟังอย่าฟังเชื่อเอาสําลีมาอุดสําลีมาอุดแล้วก็ตัวรอบแรกนี่ก็ดูท่านนาบีอ่านแล้วก็ไม่ดีนอะไรเลยก็ดีแล้วละ่ะดีแล้วฉันปลอดภัยละ่ะไม่โดนกระถา มาอีกรอบหนึ่งเอ๊ะหน้าตาคนนี้มันไม่น่าจะใช่เราไม่น่าจะใช่ได้ยินเสียงว่าแต่มันไม่ชัดไงว่าอุดไว้รอบที่สามนี่มันเยอะละเราเนี่เป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนคนมีความรู้ันาดไปเสียเข า, านี่เอาสำลีมาอุดหูเฉยเลยเราเราอะไรเรางูขนาดนั้นฟังดีถ้าเรื่องดีก็เอาเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องเอ๊ ก็ไม่ต้องเอาสิมันง่ายนิดเดียวปดสำลีฟังกุราลฟังกุรลเนไม่ตะวาฟแล้วมานั่ง <laughs> อะไรนะอะไรนะไม่ตะวาฟต่อแล้วนะมานั่งถามท่านนาบีคุยกับท่านนาบีซัีดีบินไซดีมุฟัยลเป็นหัวหนา้าเป็น เป็นเขาเรียก อ, อะไรเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าเมืองอ่ะเป็นหัวหน้าเผ่าเผ่าเาอส์นี่ช่วงแรกของการดาวะของท่านนาบีนะเป็นหัวหน้าเผ่าเาอส์แล้วมาคุยกับท่านนาบีรับอิสลามตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยแล้วพอท่านนาบีจะให้ท่านทำอะไรก็ไม่ไมต้องทําอะไร กลับไปเมืองแล้วก็ไปดาว่าไปไปแพทยถ้าได้ยินชื่อเสียงฉันเนี่ยได้ปรากฏแล้วในข้าวสงกรานนี่มาสายอิดนี่ก็เลยไปไ ป, ไปหาชาวกริสชากรินี่มองแล้วบอกว่าข้าพเจ้าสาบานเลยในว่าไอ้หน้านี้น่ยนะคนละหน้ากับคนที่มาก่อนก่อนตนนี้ตอนไปไปสีหน้าอย่างนึงนี่มาอย่างนึ่งนี่โดนของห่มมัดแน่นอ่ะแกมาก็มาประกาศละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ล้ลลก็ ผลงานของคนคนนี้นะก็คืออบูฮุเรยระอับดุลรหมานีบินซัครอัดเดวซีพอรู้แล้วนี่ว่าท่านนาบีได้อพยพบแล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วที่มัดินาเนี่ยปีที่ปีที่เจดฮิจรัตการาัดอพยพบหมู่บ้านห น, นึ่งใหญ่เลยจากเดวซีอพยพบไปมัดินาหนึน่งในนั้นก็คืออบูฮุเรยระแต่สรุปว่า คือมีอาหรับไงอาหรับที่เขาฟังฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็แล้วก็ไม่รีบปฏิเสธนะเออฟังพิจารณาพิจารณาเข้าท่าก็เขานี่ไม่เข้าท่าก็ไม่เอาก็มี ม, มีมีแบบที่จริงแบบว่าตรงไปตรงมาแต่มีที่แบบว่ายังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยหรือบางทีนี่ยังไม่ได้ฟังกูดอาะไรแค่ฟังฟังเหมือนอุมรีบัลขตาะอุมรีบัลขตาะบอยู่กับเตล น, นาบีเนี่ย สามปีบางรายงานบอกว่าห้าปีไปที่ว่าใช้ชีวิตในมักกะนี่ก็ได้ยินว่าท่านนบีพูดเรื่องกุรอ่านก็รู้ในว่ามีนบีอ้างว่ามีว่าอยูมาจากอัลลอฮ์กุรอานแต่ไ um, ม่เคยฟังเป็นกิจจลักษณะแต่เรื่องเป็นเล่านั้นมันนั่งฟังสดับฟังแล้วก็พิจารณายังไงไม่เคยปฏิเสธ พราะอะไะปฏิเสธเพราะน บ, บีมุฮัมมัดมาสร้างความตแตกแยกนี่คือข้ออ้างของรัมมนขะตอบสร้างความตแตกแยกผัวเมียแยกกันพอรับอิสลามแล้วนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้พ่อกับลูกก็ต้องโกรธกันเนี่ยสร้างความตแตกแยกในสังคมแล้วรัมมุนขะตอบนี่มีประสบการณ์ในเรื่องบริห า, ารเพราะแต่ก่ขอนเขาก็เขาก็เป็นเป็น เป็นคนที่แบบว่ามีเป็นผู้นําในในตระกูลของเขาเนะี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันมันบัณฑทอนมันบัณฑทอนความแข็งแกร่งของสังคมนบีมามาบัณฑทอนความหนักแน่นของของกุเรชก็เลยต่อต้านนาบีด้วยเหตุผลนี้แต่ไม่ได้ฟังกุฎอ่านไม่ได้อะไรเลยจนได้มีวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจว่าจะต้องฆ่าท่านนาบี มีมุสลิมคนหนึ่งที่รู้ว่าอัลลอฮฺจะฆ่านาบีแน่นอนแลแ้วตอกก่อนห น, น่ อ, อก็มีชื่อเสียงว่าคําไหนก็คํานั้นไงนี่ทำยังไงดีให้ฆ่านาบีก็เลยต้องเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งก็คือน้องสาวของอัลลอฮฺรับอิสลามแต่อัลลอฮฺรััลอฮไม่รู้เอาความลับนี้เนี่ยมาเปิดเผยดีกว่าคนนี้ไปฆ่าท่านนาบีคงจะคิดว่าเออถ้าฆ่าน้องสาวนะ อาจจะเป็นเหตุผลว่าไม่ไปฆ่าท่านนาบีเอ้ยก่อนที่จะไปไปไฆ่านาบีเนี่ยไปดูน้องสาวตัวเองแค่นั้นแหละก็ประสบความสําเร็จแผนที่ประสบความสําเร็ จ, ปรปรจไปดูน้องสาวตัวเองเนี่ยไปน้องสาวตัวเองเนี่ยปรากฏว่ารับอิสลามทั้งทั้งเขาทั้งสามีนะแล้วก็อ่านกุตอ่านกันซุบซิบ อ, อ่านคุตอ่านอัลกุรอาเข้าอ่านอะไรกันอ่านอะไรกันบางีมี มันมีอ่ะมันมีเอกสารมีกระดาษอยู่เอามาไม่ให้ตบหน้าตบหน้าจนเลือดไหลนี่ในรายงานเนอะเลือดไหลลองคิดดูสิตบหน้าจนเลือดไหลไอ้ที่เขาแข่งกันตบหน้าเนี่ยังไม่เลือดไหลกันเลยเ อ, เอามารวมนับคำตอบนี่จะได้เข้าใจนะเอามารวมนับคำตอบนี่ถ้านั่งบนถ้านั่งขี่ถ้าขี่ม้านะนักวิชากาบอกว่าขี่ม้านี่เหมือนยืนนะนะ ความสูงเท่ากันแปลว่าอะไรตอนขี่ม้านี่นะปลายเท้าของอมรคา้อมนี่แตะดินนะ่ะแสดงว่าสูงสองเมตรกว่าน่าจะสูงกว่าเสถาสูงนะสูงแล้วก็ถ้าสูงแบบนี้เนะี่ยคิดดูสิตบเลือดที่ไหลนี่นะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำใอมรนิสงบ พอเ ห, เหมือนสงสารน้องสาวก็ไม่คิดว่าจะทํำร้ายน้องสาวขนาดนี้นะน้องสาวนี่ก็ยืนเนี่ายังไงก็ไม่ให้พราะตัวเองเป็นมุชริกเป็นนยิสและกูรา์านนี้สะอาดแล้วฉันต้องทํำยังไงต้องไปอาบน้าบนนาําไปอาบน้ําจะนะวะไปอาบน้ําก่อนพอไปอาบน้ำแล้วก็มาอ่านนี่คือครั้งแรกที่เริ่มอ่านอ่านแล้วก็เปิดแล้วกัอะไรอะไรที่ทําไมน้องสาวฉันเนี่ยรับอิสลามแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ พี่ชายนี voila, ่พี่ชายนี่เนื้อเอเดียวกันนะนะไม่ยอาไม่อ่านคุณอ่านนี่มันต้องเป็นต้องมีอะไรสักอย่างขออ่านดูหน่อยขะอาาอนล่าอลอานะลิตฉกออิลลัตส์กีรตัลลิมะยัชชาต้นซีลันมิมันขลักัลัร์ดะัลัสัมัวัติัลัมันมีหลายชอตในสุร์อัลทาฮานี่ช่วงต้นเนี่ยสามารถเขย่าได้ ไม่ลังเลเลยนะเมาบอกขตคนที่จะรับอิสลามเนี่ยต้องทำอะไรทางน้องสาวก็เปิดเผยความลับที่ชาวมักกะส่วนมากไม่รู้ว่าท่านนาบีสอนกุรอ่านที่บ้านอัลอร์กอมอิบูอบิลอร์กัมบ้านอัลอร์กัมตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเนี่ยถ้าใครไปเคยไปมักกะแล้วเนี่ยเวลาสแอ์เนี่ยขึ้นสซฟาภูนะเขาโซฟาแล้วก็สแอ์ไปมารวเห็ บ้านอัลอากัมนี่ยก็อยู่อยู่หัวมุมบูเขาอุสฟาจะเห็นว่าที่นู้นน่ยมีประตูเะไรกับประตูบาบุลอาลกัมนะครับตอนก่นมีบ้านอาลกัมอยู่ตรงนั้นเข้าไปนี่พอรู้อัมอรรู้อัมัรจะมาฆ่าท่านนบีนีท่านบีก็เปิดเปิดนบีคงรู้ล่ะอัมอรนี่มาทําไมพอเข้ามานี่นบีก็มองหน้าแล้วบอกว่าโอ้อัมอรตัวเอง มันยังไม่ถึงเวลาหรือที่จะเลิกเลิกใหม่เรียว่าเลิกการปฏิเสธสัจธรรมมา น, นี่คุกเข่าแล้วก็รับอิสลามไม่ลังเลเลยสามปีห ร, หรือห้าปีที่เป็นศัตรูชากาตของท่านนาบีเนี่ยเพียงไม่กี่อายาเนี่ประมาณสิบอายาของต้นสูตน้ตอฮาเนี่ถ้าไม่เปลี่ยนเลยไม่ลังเลเลยนะเพราะอย่างที่พูดกับพี่น้องหลายครั้งว่า คุณอ่านนี่สามารถที่ทำให้ทุกคนนี่ศรัทธาได้แต่ต้องเปิดใจอ่ะต้องเปิดใจอ่ะคุณอ่านนี่เหมือนน้ำถ้าใครหิวน้ำก็อ้ผาผากสิแต่ถ้าหิวน้ำพอจะมันดื่มสินาะแล้วจะหายหิวน้ำยังไงหายกระหายยังไงถ้าอยากจะให้คุณอ่านนี่ทำหน้าที่ อยากจะรู้สศาสนาคุณอ่านก็เปิดที่เปิดใจนี่กุณอ่านนี่มันไม่ใช่แค่คําพูดธรรมดาเป็นคําพูดจากพระเจ้าต้องเปิดหัวใจอัลลอฮฺในบอกว่าเล็มอยู่ให้ตุล็มเ uh ล็มล็มเนี่ยแปลว่าพวกเขายังไม่ไม่เลยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้เรื่องราวของกุณอ่านความจริงสดจริงขอ ง, ของกุองกณอ่านเนี่ยไม่เคยรู้ และไม่เคยเลยนะวลมมายะตีหิตตะวีลูนี่ยประโยคนี้ที่มีอธิบายตรงยาวหน่อยอ๋ลลอเรามว่าเขาปฏิเสธโดยที่เขายังไม่รู้แต่นี้เนี่ยววลมมายะติหิตตะวีลูลมมากับลมเนี่ยแต่ต่างกันยังไงลมมาเนี่ยเขาบอกว่าและสัญญาณร้ายยังมิได้ มายังพวกเขายังมิได้มามันมันยังไม่มาแต่ในอนาคตนี่อาจจะมาสัญญาณร้ายนี่คืออะไร <c oughs> คือใน ใ, ใ, ในในท่อนเนี่ยไม่มีคำที่เกี่ยวกับสัญญาณร้ายแต่นี่เป็นคำอ ธ, ธิบายอันเป็นทศนะหนึ่งของอุลมะที่ได้อธิบายอยายะนี้อยายะนี้มีสองความหมายท่อนนี้มีสองความหมาย ขบว่าบัลคะบุบบัมาล์มยุหิตบัลกลมีบัลลัมมายั่ดีห์มต้าวิลขบดิเศณโดยที่เายังไม่รู้เลยยังไม่รู้มาก่อนว่าอุษุนนี้เป็นอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยจึงใช้คำว่ลัมลัมเนี่ปฏิเสธปฏิเสธเสมอแต่ถ้าลัมมานี่ลัมมาเนี่ยไม่วปฏิเสธปฏิเสธในอดีตปฏิเสธในปัจจุบันแต่ในอนาคตนี่ยังมีโอกาสยังมีโอกาส อะไรที่ยังมีโอกาสแหละแต่วีวลแต่วิลูเนี่ยมีสองทัศนะทัศนะแรกนี่บอกว่าเขายังไม่ได้มีสัญญาณที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุรอ่านได้บอกไว้เรื่องที่คุรอ่านได้บอกไว้นี่คืออะไรก็คือที่กุรอ่านได้ท้าทายว่าเป็นสัตธรรมจากอัลลอ์ใช่ไหมพอเป็นสัตธรรมสัตธรรมที่มาจากอัลลอ์เนี่ย พวกเขาก็เลยท้าทายท่านนบี صلى الله عليه وسلم ในอายะนี้อายะที be ่20ของสุรยูนุสนี้ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا ن ي معكم من ا ل م ن ط ق ي ن พวกเขากล่าวว่าทำไมอภินิหารจากพระเจ้าของของเขาจึงไม่ถูกประทานมาให้เขาอภินิหารต้องการมรดิศาต้องการอภินิหาร จงกล่าวเถิดโอ้มมฮัมมัดแท้จริงสิ่งรึนลับนั้นเห็บอนาคตนี่นะเป็นของอัลลอ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พวกท่านจงคอยดูเถิดจงรอรอพวกเจ้าขอสัญญาใช่ไหมขออภินิหารแล้วใช่ไหมก็รอสิแท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกท่านในหมู่ผู้คอยดูอก็พวกท่านนี่ต้องการตัวพิสูจน์ ว่าคุตตานนี่เป็นความจริงใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มาตัวพิสูจน์นี่ยังไม่มาแต่รีบปฏิเสธไปเสียก่อนอัลลอฮ์ก็เลยตําหนิเขาเอาในเมื่อขอสัญญาณไว้แล้วแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะมาพิสูจน์ยืนยันในศาสนาอุลตร้าและรีบปฏิเสธไปเสียก่อนแล้วมายังไม่มาแต่มันอาจจะมาก็ได้และในเมื่อพวกท่านเนี่ยผูกพันระวัง การที่จะเชื่อกุฎอ่านกับสัญญาณที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยบวชิษฐ์อภินิหารที่จะเกิดขึ้นนี่นะหมายถึงว่าเรายังรอเรายังรออยู่รอกันนะคอยดูก่อนนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราจะศรัทธาเอาแต่นี้ยังไม่มานะรีบปฏิเสธไปก่อนว่แล้วไ ม, ม่อดิมตะวีรูเอาก็ก็ตะวีรูก็คือการมีสัญญาณสัญญาณอธิบายสิ่งที่พวกเจ้านี่เคยขอไว้ นี่คือแท้วิลุเขาว่ า, วามาแท้วิลุเขามาแท้วิลเนี่ยในภาษาอ р ในทศนินี้เนี่ยเขาบอกว่าแต้วิลเนี่ยแปลว่าบั้นปลายของคาพูดอย่าไปดูที่อย่าไปดูที่เนื้อหาภายนอกของคาพูดต้องไปดูบั้นปลายภายหลังแท้วิลท่านน บ, บียูสุฟ ตันสุรานนบียูสุฟบอกกับท่านนบีอัตถุบยาบด์อินนีรายทุอะห์ด10คบันลีซาจดีนยาร่ากล่าวยาบด์อินนีรายทุอะห์ด10ดวงอาทิตย์และดวงจัรรายทุหุมลซาจดินออพ่อจ๋าฉันได้เห็นได้ฝันว่าทั้งดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์และก็มีดวงดาว11ดวง กำลังสุญหุนให้ฉันท่านยาโกม์นี่รู้เลย ว, วันนั้นหมายรวมว่าอะไรก็บอกกับท่านนาบีซุบนีไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังและเหตุการณ์โอ้โหนี่มันเหตุการณ์ว่าจนสุดท้ายนี่ท่านนาบีซุบกลายเป็นกษัตริย์ของอียิปใช่ไหมหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเทศอียิปแล้วก็ให้พี่น้องเข้ามาแล้วก็พ่อแม่เขา้าหนี่แล้วก็พี่น้องเข้านี่ิบเอ็ดคนเนี่ย สุ j ูดให้ท่านนบียูซุฟและนบียูซุฟบอกว่ากลาวยาอบดีพ่อจ๋าฮะดะตะวิลุรุยายามินกับลุคดจาเรบีฮักกนี่คือตะวีลนี่คือบ้นทบายของรุยาของฝันของฉันเนี่ยบายของเนี่ยมันปรากฏจาเลห์รบบีฮักกาอัลล์ให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขานี่ขอมาแล้วนี่สัญญาณอภินิหารว่า พิสูจว่ากุตตาในเป็นจริงแล้วรอคอยสัญญาณนี้ไม่ใช่เหรอแต่สัญญาณยังไม่มาทําไมรีบปฏิเสธวัแล้ว ม, มาอยาทีมตะวีลแล้วลยังมันยังไม่มาและทําไมรีบปฏิเสธนี่ทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ตะวีลนี่ก็คือการศึกษาความหมายก็คือความหมายเบสิกของคําว่าตะวีลนี่ก็คืออธิบายความหมายความหมายธรรมดาธรรมดา หมายรวมว่าเขายังไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ยังยังไม่ศึกษายังไม่ศึกษาแล้วถ้าศึกษาล่ะเขายังไม่ศึกษาล่ะยังไม่ศึกษาก็รีบปฏิเสธไปเสียกอ่อนท้งในสองทศนันนี้นะครับข้อตาหน้ก็คือรีบรีบปฏิเสธก่อนที่จะมีสัญญาณบ่งถึงความส จ, จริงของขอ่าน แต่มีอีกทัศนะหนึ่งสืบเนื่องจากทัศนะแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดูบั้นปลานี่บั้นปนี่ก็คืออะไรก็คือผลลัพธ์ของคนที่ปฏิเสธคุตัานเนี่ยว่าเขาจะต้องเข้านรกนี่มีอุลามาบางท่านบอกว่านี่ยังไม่เห็นผลร้ายของการปฏิเสธกุตัานเลยรีบปฏิเสธได้ไง ซึ่งอันนี้เนี่ยที่เขาเอามาเอามาที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยและสัญญาณร้ายอย่างนี้ได้มาอย่างพวกเขาสัญญาณร้ายนี่ก็คือไอ้ที่คนที่ปฏิเสธกุรานนีนาบั้ น, ะนปลายของเขานี่ก็คือเขานรกก็การเข้านรกเนี่ยังไม่ได้ปรากฏรีบปฏิเสธได้อย่างไรซึ่งตีความได้สองนัยยะเนะ่ยจะได้เข้าใจนะก็หมายถึงว่าพวกท่านนี่ก็อย่าพึ่งปฏิเสธ ค่อยศึกษาค่อยศึกษาจนกว่าจะได้ประจักษ์ชัดว่ากุรอรานเนี่ยเป็นสัจธรรมและคนที่ปฏิเสธศัจธรรมเนี่ยจะต้องเข้านรกแน่นอนตอนนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธนะแล้วก็ทําอะไรฮะก็ เ, เกียรว่างก่อนโอ๋เกียรว่างนี่ไม่ถือว่าปฏิเสธนะใช่เกียรว่างนี่หมายถึงว่าเข า, เขายังไมไ่เขายังไม่ได้ปักปั๊มท่านนาบีว่า มุสาโกหกตอแหลเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสจัจธรรมแต่ชาวกุเรส์นี่ไม่ใช่ชาวกุเรส์นี่รับตัดสินไว้แล้วโหไม่ใช่นี่นบีอุปโลกมาเองนี่เป็นคำพูดของนักเสศาต ร, ร์ของพวกหมอดูแย่ที่สุดนี่ที่มีข้อเกาหายเกาหาก็คือบ้านะุลามจนุนนเป็นคนบ้าซึ่งอันนี้เนี่ยไม่คยมีไม่เยมีมีน้อยอที่ใช่ อีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่ า, ารอรอสัญญาณร้ายมายังพวกมายังมายังพวกเขานี่ก็หมายถึงว่าให้ให้รอเป็นนวันเกียตรติไปเลยแล้วก็ถ้าตายยังไม่ดียังไม่ดีศรัทธาแล้วก็รอจนไปวันเกียตรติเนี่ย แล้วจะเข้านรกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคือถ้าจะให้รอจนถึงวันเกียรติ์มัตต์เลยเห็นคนที่ไม่ศรัทธากุอานเข้านรกตอนนั้นน่ะศรัทธากุอศนมันจะใช้ได้ไหมก็ใ้ไม่ได้แล้วแล้วมันมีประโยชน์อะไรอที่บอกกูให้รอซะเขาบอกว่าอาจจะเป็นประโยชน์เยอยก็ได้หมายถึงว่าถ้าพวกเจ้าไม่อยากจะศึกษาในโลกนี้เนี่ยให้รู้รอดรู้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเดี๋ยววัดจะทำอยู่ที่ไหนนะรอซะ รอซะจนไปนู่นนะนะจนเห็นคนที่ไม่ไม่เอากุตั้นเนี่ยเข้าโนรกเลยค่อยศรัทธาแล้วกันเหมือนเยอะอย่างนะแต่ไม่น่าจะทัศนธที่น่าจะมีน้ําหนักก็ไม่น่าจะเป็นการสํานวนเยอะนะเพราะอะไรเพราะอายาน่นี้หรืออายาอื่นๆในสุรยูนสิสหรือในกุตัานเนี่ยเป็นการสนทนา ด้วยความจริงหมายถึงว่าเชิญชวนให้คนได้ศรัทธากุรอานจริงมันไม่มีมันไม่มีโ อ, อกาสโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังสนทนาด้วยเหตุด้วยผลนี่ยนะมันไม่มีโอกาสที่จะมาม า, มาเยอะในเรื่องนี้ฉะนั้นเหตุผลของกุรอานในการที่จะให้เขาศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุผลที่จะเชิญชวนให้เขาเนี่ยรีบรีบ ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการพิสูจน์สัจธรรมของกุฎอ่านยังไง่ก็คือถ้าพวกท่านยังไม่เชื่อเต็มที่กุฎีอ่านนะก็รอและมายางที่มจะวีดูรอสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งบันปลายเนี่ต้องมีและนี่คือสิ่งที่น่าจะใกล้เคียงกับบริบทของกุฎีอ่าน คนที่อ่านกูดอ่านยังไม่เชื่อกูดอ่านปฏิเสธกูดอานค่อยค่อยอ่านค่อยคอ ย, ค ย, ค ย, คยศึกษาดินะสัจธรรมนี่มันจะซึมซับอัลลอฮฺก็บอกกับเขาบอว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธศึกษาก่อนศึกษาก่อนดีไหมเพราะอะไรเพราะถ้ามาฟังท่านนาบีครั้งหนึง่งอาจะสมมติว่า ไ, ได้ฟังสุราหนึงหรือฟังสักท่อนหนึ่งของสุรานี่อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะตอนนั้นไม่มีสมาธิปฏิเสธเลยมันไม่แฝง ไม่แฟค่อยๆศึกษาไหมเอากุรอัานไปอ่านเอาเรื่องอื่นไปอ่านไปศึกษาดูไหมจำนวนไม่น้อยนะครับในประชาคมโลกที่รับอิสลามมานะจากการศึกษาก็แบบนี้คือถ้ารับกุรอัานจากภายนอกกันนะเป็นเป็นกระแสจากภายนอกกันนะไม่เอาเพราะอะไรเพราะจะรีดที่ตัวเองยึดอยู่นี่นะสอนว่าต้องปฏิเสธไปก่อนแต่ถ้า มาจากอินเนอร์นี่มาจากข้างในะ น, นะมันคนละอยา่างบารหลวงหลายคนน่นะครับหลายสถาบันหลายนิกายเนี่ยของคริสเนี่ยถูกใช้มีหน้าที่เนี่ยเป็นอาจจะเป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยของเขาเลยนะถูกใช้ทำหน้าที่อ้าวเอากรดอันเล่มนึงเพื่อขุดคุย ห, หาอะไรจุดอ่อนอะไรที่มันจะ จะได้โจมตีกุอัลโจมตีมุสลิมเราจะได้เวลาไปโต้เถียงกันเราจะนี่แล้วเขาต้องคัดเลือกคนนี่แบบว่า อ, อือแบบ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อิสลามนี่เขาขึ้นเส้นเลยแบบอย่าเอ่ยอย่าเอ่ยมุฮัมมัดอย่าเอ่ยอิสลามนี่ก็ของขึ้นเลยเนะี่ยต้องเลือกคนแบบนี้ไงก็เลือกคนนี่แบบว่าพร้อมที่จะทําทุกอย่างจะได้โจมตีกุตานศึกษาไปศึกษามา จดนะจดด้วยนะจดทุกอย่างอ น, นี่นี่เนี่ยจดไปจดมาจดไปจดฝานะสักจะไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันมาจากข้างนอกแต่พอเราอ่านเองเข้าใจเองคิดคิดด้วยตัวเองกนะันโด้วยเนะื้อหากุณอ่านเองนนี่นะอับอิสสลาหลายคนนะเป็นแบบนี้ คนหนึ่งเป็นบารหลวงคนเป็นคนที่ประเทศอียิปต์ชื่อมุฮัมมัดมหดีเขาเคยเป็นอาจารย์ในในในโบสในสถาบันของคริสตโอดอกซีอีย์เนี่ยแล้วเ ก, ก็รับอิสลามแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็มีตัวอย่างแบบนี้หลายหลายคนนะผระสงจำจำชื่อไม่ได้แต่นั่นหมายรวมว่าสิ่งที่เราไม่รู้เราอาจจะปฏิเสธหรือประกาศเป็นศัตรูก็ได้ อะไรที่เราไม่รู้อะไรที่ไม่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเรามักจะปฏิเสธไปก่อนหลายอย่างในชีวิตของเราก็เป็นตัวอย่างเรื่องเกินยาเรื่องไปหาหมอรักษาถูกที่ถูกทางไม่ได้แต่ก่อนนูนะ้นอ่ะมุสลิมบ้านเรานี่นะนานแล้วนะมันต้องเป็นเป็นร้อยปีอะไรนี่ไม่ไปโรงพยาบาล ไม่ไปโรงพยาบาลเขากลัวกลัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาจะให้ยาอะไรให้ยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยมีความเชื่ออะไรแบบเนี้ยมีเหมือนกันมันมันไม่อยู่ความเชื่อที่แปลกนะครับก็เหมือนช่วงโควิดนี่จําได้มหมเฮ้ยอย่าไปฉีดวัคซีนนะวัคซีนมันฉีดมันอยากจะจํากัดมันอยากจะให้พวกเราตายไปซะนคนนี้คิดแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมนะ ระดับปรมาจารย์นี่คิดแบบนี้มีนะระดับคนบิ๊กๆ ก, ก็มีนะเวลาสังคมแบบว่าอยู่อยู่ในกลาแล้วก็ไม่ไม่ใช่เหตุผลอะไรนะก็จะก็จะมีความเชื่ออะไรแบบเนี้ยอมีความเชื่อแบบเนี้ยบางทีเราก็อยู่บางทีเนี่ยเราเรานึกว่าเรากว้างแล้วคือคนที่ดูทิกต็อกนี่ถือว่าตัวเองกว้างแล้วแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่บางทีก็เป็นกลาเหมือนกันนะที่เร น, นก็เป็นกลาก็มาอยู่ในกลาทิกต็อกรับความเชื่อจาก ดิท็อกทุกอย่างเนะี่ยเรื่องความศรัทธาเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยรับจากดิท็อกผมรับบ่อยนะรับบ่อยเรื่องเนี่ยส่งมายพวกดิท็อกเนี่ยแล้วก็ท้ายนี่มีข้อความจริงไหมอา้าจริงไหมตกลงถ้าหากว่าถ้าหากว่าบริโภคข้อมูลจากดิท็อกกันนะ รับไปเลยสิแต่ถ้าหากว่าส่งมาอ่ะแสดงว่าน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ปะ่ะน่าเชื่อถือมากกว่านี่ก็จะต้องมีมาตรฐานไงทาไมส่งมาให้พอเรามีตัวตนมีนี่มีตัวตนสามารถทําได้เอาแล้วก็ที่ไม่มีตัวตนน่ะทาไมเชื่อง่ายแบบนั้นน่ะหรือทำไมรับมาได้แล้วก็รับเชื่อได้แต่ต้องส่งไปให้อาจารย์ก่อนอาจารย์จะได้จะได้สกินสกินก่อน มีมาตรฐานที่จะมีมาตรฐานแต่ไม่ใช่และบริพุกเคยเนรศิหัดไปบอกว่าอะไรที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยไม่ต้องส่งให้ผมนะเพราะมันไม่น่าเชื่อถือไม่มีแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลแลวพออธิบายยิ่งแหล่งข้อมูลนี่ก็คือเป็นสถาบันเป็นองค์กรเป็นคนที่มีตัวตนที่สามารถติดต่อได้ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นนะนะก็รับฟังไปสนุกไป แต่จะรับเป็นความเชื่อจะรับเป็นอะไรถึงขนาดที่ดูอา้ามีไหมตัวบทมีไหมแล้วก็คนที่คนที่ส่งมานี่ก็ไม่บันทึกก็ไม่มีอะไรพูดก็แค่บอกว่าถ้าอยากจะรวยถ้าไม่อยากจะจนก็ให้ก่ า, าวอ่า ว, าวอันนี้ยามายาวเลยจริงไหมตัวบทนี่ใครรายงานก็ไม่รู้แล้วก็คนที่พูดนี่ก็ไม่ใช่นักวิชาการนะเป็นคนที่อ่านบทนะ่ะบางคนนึกคนอ่านแล้วก็เหมือนทําคลิปเฉพาะเลยนะอะไรแบบเนีไ้ไม่ใช่ คนที่จากัดความรู้จากแหล่งความรู้ที่ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบเลยนะตั้นแต่กะลาถึงแม้ว่าแหล่งความรู้นี่มันกว้างเช่นดาวเทียมกว้างโซเชียลนี่กว้างกว้างมากแต่ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบไม่มีเครื่องมือเครื่องมือสาหาความรู้ความจริงว่ามันใช่หรือไม่ใช่อันนี้เนี่ยที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะว่าด่าลาเดียริกรัลเลมยุฮิทูบิอัลมิฮี อิพัดตานียุขีตุอิพัดานีไม่ด้บว่ารู้อย่างรอบครอบอะร่ไม่ได้บอกว่าให้ให้เนี่ยี่ความยุติธรรมคุณอ่านนะไม่ได้ศึกษาไม่ต้องศึกษากุาณอ่านแบบแบบผิวเผินนะไม่อย่าหาให้ศึกษาแบบรอบครอบอย่างละเอียดที่ถ้วนและนี่คือความแข็งแกร่งว่าท้าทายท้า ท, า, ทายมนุษย์เนี่ยทุกคนมนุทุกคนในมีสมองผะก็ศึกษาให้รอบครอบนะเพราะกุณอ่านสามารถที่จะตอบทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราต้องการคำตอบกุณอ่นานทำได้ถ้าเราอยากจะรอบค้อบอยากจะละเอียด น, นะุณอานก็ทำได้หรือว่ารอสัญญาณรอสัญญาณสักอย่ญญางสัญญาณนี้เรื่องฮิดายาที่อัลลอจะให้กับใครนี่นะนี่ไม่มีใครห้ามได้นะจะส่งสัญญาณจากอัลกุรอานผมเคยเล่านะ แะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง <c oughs> คือมันไม่เกี่ยวข้องโดยตรง น, นนะแต่มันมันบ่งชี้ถึงว่าถ้าอัลลอฮฺจะให้ใครรับอิสลามจำได้ว่าหนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นหนังสือที่ผมเขียนแต่ผมไม่ได้ใส่ชื่อนะคือเขียนหนังสือเล่มนี้เนื่องจากว่าผมได้เห็น หลาองค์กรที่ทํางานศาสนาบ้านเราเนี่ยเอาหนังสือของอของอาจารย์ดรบิลลลฟิลิปส์ใครรู้จักไหมดรบิลลลฟิลิปส์เดี๋ยวนี้มีคนดังมาเยอะละแต่บิลลลฟิลิปส์ตกรนั้นดังมากเขาเป็นคนอเมริกาแล้วก็เป็นนักเผยแพร่เขาก็รับอิสลามนะแล้วเขาเขียนหนังสือเผยแพร่ศา ส, สนาอ่านหนังสือนี่เนี่ยเป็นเป็นหนังสือ เอ่อฟีลลิ่งของหนังสือเนี่ยเขากําลังพูดกับสังคมตะวันตกมากกว่ า, นนานนเนื้อหาของหนังสือนี่เชิญชวนในคนที่มีปัญหาของสังคมตะวันตกในอิสลามซึ่งเขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนื่องจากว่าคือคนรวยอะ่ะคนรวยในยในตะวันออกกลางเนี่ยเอ้ยหนังสือไหนที่เอ่อคนมูอัลลับเนี่ยเขาอ่านมากเขาก็ไปดูตะวันตกกันนะโอ้ีเอ่านของบิลลฟฟิลิปส์เอ้ยงั้นแปลเลยแปลทุกภาษาเลยซึ่งมัน มันบืด้ดมากในการใช้ตะกะรเนี้ยคือหมายถึงว่าหนังสือประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ภาษาอังกฤษหรือประเทศตะวันตกจะมาใช้ได้กับญี่ปุ่นใช้ได้กับจีนอ่ะคนละเรื่องเลยคนละบริบทคนละวัฒนธรรมเนื้อหาของอากิดานี่ของแต่ละาอะรารยธรรมนี่มันคนละเรื่องเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมีหนังสือที่พูดถึงประเด็นที่มันมันไม่มีในวัฒนธรรมของบ้านเราในประเทศไทย ถ้าจะไปพูดถึงศาสนาอิสลามมีเรื่องทอมตนมีเรื่องมารยาทจริยธรรมศาสนาอื่นก็บอกว่าของเราก็มีของเราก็มีพูดถึงเรื่องศิลธรรมเรื่องอะไรของเราก็มีแต่อะไรล่ะที่อิสลามมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาอื่นไม่มีเรื่องพระเจ้าการมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วต้องเคารพสักการะพระเจ้าองค์เียอันนี้เนี่ยศาสนาอื่นไม่มีแน่นอน ต, ต้องอธิบายเรื่องเนี้ให้ให้เมคเซนแล้วก็ให้เกตว่าเออชีวิตเราเนี่ยต้องมีพระเจ้าอ่ะต้องมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้ า, ไ ม, มจาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องฟุ่งเฟือยการที่จะมีไม่ใช่เรื่องฟุ่มเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเราเหมือนที่ต้องมีน้ําต้องมีอาหารต้องมีลมจะได้หายใจต้องมีพระเจ้าและเนี่ยผมผมให้กขาคออัลฮักตี้ขตุลกุบรอนคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่คนเขาไม่อยากไม่อยากจะ พบไม่อยากจะเจอหนึ่งต้องมีพระเจ้าดิต้องต้องค้นหาพระเจ้าพระเจ้าผู้นี้เนี่ยอยู่ไหนเน่ยแล้วก็แจกครั้งแรกแจกเท่าไหร่นะจำได้ปะห้าพันะเยอะนะตอนหลายพันนะหลักพันนะแจกไปเยอะนะหลายพันเราไม่ได้หวังว่าเออทุกคนนี่จะได้เล่มหนึ่งแล้วจะรับอิสลามนะไม่ใช่ไม่เคยคิดแบบนี้แต่มีคนหนึ่งที่รับไปแล้วนี่แล้วก็รับอิสลามแล้วมาเล่ า, ม า, ลามาเล่าให้ทีมงานฟังบอกว่าคือเขาได้มาจากเพื่อนน่ะเพื่อน เพื่อนนี้ทํางานเนี่ยรับเขาก็รับมารับมาให้หนังสือคนไทยเราเนี่สุขุมนะคือคือไม่คือเกรงใจไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครแบบว่าเออเสียใจออรับมาไ ม, ไม่ไม่ต้องอะไรมากจะอา่านไม่อา่านนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งรับมาโอเคแล้วทําหน้าที่แล้ว <S <S เขาก็เอามาแล้วก็มาวางมางบนบนทิ้งที่ที่บ้านวางเขาบอกก็เป็นเดือนเป็นเดือนไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่คิดว่าจะอ่าน ก็มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งเข้ามาเหนื่อยมากทำงานแล้วก็เหนื่อยมากเข้ามาเข้ามาที่บ้านยังไม่เปิดไฟเนี่ยแต่เขารู้สึกเหนื่อยล้ามากยังไม่เปิดไฟแต่เขารู้สึกว่ามีหนังสืออยู่เล่มเดียวเนี่ยที่มันดูสว่างกว่าเล่มอื่นเขาความรู้สึกของเขาอะนะผมเนี่ยนะอันนี้คอมเมนต์ของผมอะนะเป็นไปได้นะว่าเราจะให้มีความสว่างจริงนูรจริงๆเป็นไปได้ แต่นี้เขาอาจจะไม่ได้อธิบายแบบนั้นแต่เขาบอกว่ารู้สึกเขารู้สึกว่าเล่มเนี้มันสว่างกว่าเล่มอื่นมันสว่างกว่ายางอื่นนะ่ยเขาก็เลยเปิดไฟแล้วก็เข้าไปจับเล่มนี้แล้วก็อา่อานจนจบเลยแล้วหลังจากนั้นก็รับอิสลามสัญญาณที่อัลลอฮ์จะให้บางคนจะได้รับอิสลามเนี่ยในเมื่อมีพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะทําอะไรพระเจ้าจะตัดสินอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถที่จะขัดขวางได้ และไม่สามารถที่จะเสนอเหตุผลเองได้ว่าอ๋อล l l a h ทำพวกเป็นแบบนี้สุภาษิตอาหรับี่จะบอกว่ามลิกุลมุลุค إذا وهب لا تسألن عن السبب กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดฉายาฉายาของ Allah นี่มลิกมลิกเยาวินเราอ่านภาษานีมลิกเยาวดินผู้ ผู้ทรงมีอำนาจครอบครองเยาววดินวันแห่งการตัดสินทั้งหลายใช่ไหมแมริคิโอวดินแต่มันมีกลอเรีาหนึ่งมลิกแมลิกเยาววดินแมลิกแมลิกแปลว่ากษัตริย์คำว่ากษัตริย์นี่ก็หมายถึงว่าผู้ยิ่งใหญ่แล้วและกษัตริย์อื่นๆนะกษัตริย์อื่นๆคือนำมาทำแต่พระองค์นี่คือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลายแมลิกุลมุลูกกีกษัตริย์ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยอิดาวะฮบถ้าพระองค์เนี่ยให้แล้วนะ และทัศแอลนานิสแบบไม่ต้องถามนี่อัลลอ์ให้นี่เพราะอะไรแต่อัลลอ์ให้นี่นก็เป็นเป็นวิทยาปัญญาของเราเป็น حكمة ของอัลล ah อฮ์ س ب า ا ن ه แะการที่ปฏิเสธ ร, รีบปฏิเสธโดยไม่ไตรตรองไม่ศึกษาไม่รอสัญญาณแห่งการพิสูจน์ตรวจสอบความจริงและสัรธรรมของกษษุรอานเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมคนยุคก่อนเช่นเดียวกัน กาาลิกะเช่นนั้นแหละกาาลิกะเหมือนกันเลยกาซาบัลลซีน่ะมีขับลีมบรรดาชนรุ่นก่อนจากพวกเขาพวกชาวมการ์ฟังดูใกคฟัากันนะที่ว่าทุกอลยมีได้ปฏิเสธได้ปฏิเสธมาแล้วเขาก็ทำแบบนี้แหละรีบปฏิเสธนี่ก็ปฏิเสธมาแล้วดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าดูสิคนรุ่นก่อนเนี่ยผลสุดท้ายของพวก ของพวกอธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าเขารีบปฏิเสธไม่ไตรตรองไม่รอบคอบไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องตายในสถ า, านะเป็นผู้ปฏิสตทาแล้วก็ไม่มีไม่มีผลงานที่ดีงามอะไรเลยหลงเหลือจากพวกเขาเลยดูสิดูเถิดว่าเขามีอะไรเหลือล่ะไม่มีเท่ากับอัลลสุบฮานาอูตะละนอกจากว่า จะให้เราได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้ว ม, มีให้ตุเบียรมีไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้ก่อนสิรู้ก่อนสิไม่พอไม่พอก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะรอสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งจากอัลลอฮ์เพราะเราได้ทำหน้าที่ในการศึกษาแล้วและอัลลอฮ์ س ب ح ا ะมอดลมองคนที่ได้อ่านคุตัานในเสมือนคนที่มาเคาะประตูของพระองค์และและอัลลอฮ์ سبحانه ะอลู้ทรง ใจบุญเสมอนะใครมาเคาะประตูเนี่ยอัลล์คงคงไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ล็อกประตูไม่เปิดให้เนี่ยต้องเปิดให้แต่อาจจะต้องใช้เวลารอสัญญาณถ้าถ้าไม่อยากจะรอสัญญาณนะนะมีอะไรที่ให้ให้ดูดูอะไรอะ่ะคนรุ่นก่อนเป็นยังไงนะเป็นยังไงคนรุ่นก่อนทำไมอัลลอฮ์ Allah, พูดแบบนี้กับอาหรับลนะ่ะเพราะอาหรับนี่เขามีตัวอย่างให้เห็นอาหรับนี่เขายอมรับเลยนะว่า ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีอยู่สองเมืองสำคัญเมืองของนบีซอลและและก็เ ม, มืองของนบีฮุดเมืองของนบีซอลนี่กลุ่มสมุทรนี่อยู่ตอนเหนือของของประเทศอาหรับของของคาบสมุทรอาหรับอยู่ที่ตะบุกเนี่ยแล้วก็เมืองของอาดเนี่ยอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยของท่านนบีฮุด เขาก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็รู้ว่านี่คือเมืองร้างของกลุ่มชนอาร์และสัมูที่ปฏิเสธนบีสองคนนี่คือฮูดและก็ซาเล่เนี่ยและก็สุดท้ายนี่อัลลอฮ์สาบแชย์อาหรับนี่เขารู้เรื่องนี้เขายอมรับเพราะนบีฮูดแล้วก็นบีซอเล่เนี่ยเป็นกลุ่มนบีอาหรับรุ่นโบราณก่อนนบีอิบราฮิมด้วยซ้ำนบีฮูดกับนบีสกอนนบีอิบราฮิมถึงผมบอกว่า หลังจากนบีบรหิไม่มีแล้วนะอิสมาอินไม่มีละนบีะละแต่ก่อนนบีบรหิมันมีแลราบนี่ก็รู้ว่าสองเมืองนี้เนี่ยที่มันดางนี่เพราะอะไรนี่พรอมันโดนแช่งไงโดนลงโทษโดนอาซาบเนี่ยเราก็ก็ไปดูสิผลของที่มีนบีที่ทำเหมือนมุฮัมมัดนี่แหละก็เอาเขา้อนะของพระเจ้านี่มันบอกแล้วเขาไม่ยอมรับไม่เขาปฏิเสธแล้วสุดท้ายนี่เป็นยังไงให้ไปดูดูเถอด เป็นบทเรียนอย่างหนึ cả, ่งที่สามารถเอามาเป็นอุทาหรณ์ได้จะได้รู้ว่ากระบวนการปฏิเสธพุดอ่านของพวกเจ้านี่นะผลลัพธ์ของมันบ้านปของมันนี่มันไม่ดีเลยไปดูกะะซอร์ลิกกะซอร์บัลละซีนมิห์มุฮัมมัดีนัทีนี้เราจะได้อะไรจากอายานี้เนี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรา เขาบอกว่า ท, ทําไมอารยธรรมอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมที่เปิดกว้างในด้านในด้านความรู้มากที่สุดทุกอารยธรรมลและทุกศาสนาด้วยเรื่อง knowledge เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องความรู้นี่อิสลามนี่เปิดอย่างกว้างเลยเปิดกว้างถึงขนาดที่ในยุคของท่านนาบีสุลต่านสลามหลังจากที่อัลกุรอานถูกงอมแล้วนะ แล้วก็ผู้ศรัทธาที่ง่ำละ่ะศรัทธาแบบเต็มที่ละนบีก็บอกว่าหัตดิสวานเบนิอิสราเอลและวลาฮารจจะไปอ่านเตรารออ่านอินจีนแล้วก็เล่าเรื่องของเขานี่เชิญเชิญ เ, เ, เปิดกว้างเลยนะเปิดกว้างจนกระทั่งมุสลิมได้เข้าใจเนืายของท่านนบีในการเรียนรู้โดยไม่ต้องปิดกัน้นเรียนรู้เปิดเรียนรู้ แล้วการเรียนรู้ของของมุสลิมเนี่ยทำให้อิสลามเนี่ยพอไปพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยกลายเป็นตัวประสานระหวา่างอารยธรรมต่างๆมุสลิมไปพิชิตอินเดียไปพิชิตเอ่อไปพิชิตโรมันพิชิตเปอร์เซียนี่ได้ความร่วงนี่แปลมาเลยแปลมาเป็นภาษารับซึ่ง มุสลิมถือว่าเป็นอรารยธรรมเดียวที่สามารถถ่ายทอดอรารยธรรมโบราณเก่าแก่มากยุคเป็นพันๆปีนะของอินเดียของเปอร์เซียของโรมันนะนะสามารถถ่ายทอดมาให้ยุคหลังก็ได้แต่ไม่ได้ถ่ายทอดแบบดิบๆนะมีวิเคราะห์มีคอมเมนต์มีอธิบายมีคัดค้านทั้งหมดเนี่ยทุกศาสตร์ทุกความรู้เลยนะรวมถึงศาสตร์ของโลก อิสต์ดราศาสตร์วิศวะกรรมทั้งหมดเลยมุสลิมได้มีบทบาทในการพัฒนาอุชาเรานี่มีนักปัจจาและนักประวัติศาสตร์ชาวอิตาลีหรือฝรั่งเศสผมลืมละแล้วก็ลืมชื่อด้วยแต่แต่แตคำพูดของเขานี่ดังนะเขาไปไปเที่ยวสเปน แล้วก็ไปศึกษอาอารยธรรมของของมุสลิมที่สเปนนี่เด่นชัดเลยแล้วก็ไปมัสยิดไปทาเนียบที่นู่นก็มีมัสยิดอัลฮามระามัสยิดคุรตูบะแล้วก็ก็ศสริฐำร้นนี่ทำเนียบของของผู้นำข อ, ของเจ้าเมื อ, องเขาผู้อยู่ประยคกหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคริสที่มาขับไล่มุสลิมจากสเปนไม่ได้เผา ตำรับตำราในบรรดาห้องสมุดทั้งหลายเนี่ยซึ่งจะมีตำราเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับอุตสาวกรรมเกี่ยวกับเยอะมากมายเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ถูกเผาตำราของมุสลิมในศาสตร์ต่างๆไม่ได้ถูกเผาอ่ะนะป่านนี้เนี่ยอันนี้ก็พูดช่วงพันเประมาณนี่ป่านนี้เนี่ยเราจะมีเราจะมียานอาวกาศที่สัญจรระหว่างดวงดาวทั้งหลาย ถ้านังสือนี่ไม่ได้ถูกเผาทำไมถึงว่าการเผาหนังสือนี่ทำให้เราเนี่ยลาหลังถึงแม้ว่าเรากำลังเจริญนะแต่มันช้าไปชาเขาบอกว่าเขาประเมินนะเขาบอกว่าทำมาเผาหนังสือของอะเรทําอิสลามเนี่ยส อ, สองรอบนะรอบแรกเนี่ยที่บังแดดที่พวกตะตาร์มาฮุลี ม, มาเผานี่จนกระทั่งแม่นม้ําดิจิลาลาฟรสัสสองแม่น้ำนี่กลายเป็นสีดําแล้วเผารอบที่สองนี่ที่สเปนสองรอบเนี่ย ทำให้หนังสือตำราที่มุสลิมเนี่ยเขาถ่ายทอดมาจากอารยธรรมอื่นแล้วก็พัฒนามาด้วยนะเขาบอกว่าทำให้อารยธรรมของมนุษย์เหน่งโลกนี่ล่าช้าไปห้าร้อยปีก็ เ, เป็นไปได้เขาบอกว่าในช่วงที่บักแดดเนี่ยมีห้องน้ำซาวน่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดขอ ง, ข อ, ง, ข อ, ง, ข อ, งอะไรกันมันมีหนังสืออะไรนะราตรีอะไรพันราตรีใคยนี่ไหม หนังสือพันราตรีนี่อันนี้เป็นหนังสือประมปะานะเขาเล่าเรื่องอะไรพอเราจะได้ยินคำว่าซาวน่านี่เอเอซาวน่าอ บ, อบนวดแล้วไม่ใช่ซาวน่านี่ก็คือห้องน้ำห้องน้ำที่มีน้ำเย็นและกัน้้าร้อนนะแต่มีแยกหญิงแ ย, ง ย, งช ย, งย ก, ยกชายแยกหญิงแยกชายทุกวันนี้เนี่ยที่ตุรกีก็ยังมีนะเขาเรียกกันห้ำมามแต่ก่อนนูกคเาไม่ได้ ก, ก่านซาวนานะเาเรียกห้ำมาม ห้ำ ม, มามนี่ก็คือห้องที่มีน้ําร้อนน้ําร้อนเพราะอะไรเ่ยเพราะน้ําร้อนเนี่ยภาษาเราเรียกว่าฮามีมอัลลอฮฺยังบอกว่าฮามีมัวกัสของนรกนี่มันจะมีฮามีมหลังมีมีมีมมมมมน้ําร้อนห้ำ ม, มามนี่คือห้องที่มีน้ําร้อนน้ําอุ่นเอาไว้อับน้ําไว้ทําความสะอาดแยกแยกหญิงแย ก, ยากชายมีอยู่พันแห่งที่บักแดดในขณะที่ ปบนะอันนี้พูดถึงอดีตนะแล้วคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นคริสต์นะปบนี่นะอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอ่ะแล้วถือว่านี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอิบาดาอย่างหนึ่งคืออาบน้ํานานทีไม่อาบน้ํานี่ถือว่าสมถทังนะถือว่าคนเรื่องกับอิสลามไงคนเรื่องกับกับหลักการศาสนาเรื่องการทําความสะอาดเรื่องคนเรื่องเลยถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาเรียน ร, รู้อะไรนะเรียนซะ เจอหนังสือเจอตำราเจอข้อมูลอะไรนี่ที่มีประโยชน์นะอ่านเลยแล้วอย่าเพิ่งมองว่าความรู้อะไรมันจะเป็นภัยมันจะเป็นอะไรนีนะ่ถ้าเราได้มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องื อ, งอในการพิสูจน์ในการตรวจสอบนี่อ่านเลยไม่ต้องกลัวเอาแล้วทำไมมีอุลามาเขาบอกว่ามีหนังสือบางอย่างนี่เอ้อย่าไปอ่านนะเพราะมัน ม, ม, ม, มันบาป เช่นหนังสือเ ส, สาดอะไรเงี้ยใช่คือถ้าความรู้อะไรบางอย่างเพียงอ่านและปฏิบัติมันนี่นะมันจะทำให้ตกศาสนาอันนั้นมันเสี่ยงเดียวไม่คุ้มดิถ้าเราจะอ่านหนังสือเสศานี่อ่านอย่างเดียวจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยนีพอทาเนาแต่อ่านจะได้มาทดลองดูว่านี้ตกศาสนาแน่นอนคนลมก็เลยปิดประตูตรงนี้ไม่มีประโยชน์ หรือว่าอ่านหนังสือดนตรีอ่านหนังสือเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอ่านอย่างเดียวนะแต่ถ้าเอามาใช้ล่ะมันก็จะเข้าเข้าขอบเขตของของเรื่องบาปก็เลยไม่ต้องอ่านดีกว่าอะไรมีคนเข้ามาถามว่าเรียนอะไรคณะศิลปะนี่มันก็จะมีหลายอย่างนะมีเช่นคณะศิลปะศิลปะ เขาเรียกอะไศิลปะที่ทํารูปปั้นอะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรน ะ, ะศิลปกรรมแต่มันมีสาขาหลายสาขานี้ยมีบางสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องวาดเรื่องทํารูปปั้นเรื่องอะไรนี่ก็มีหลายคนอที่จําได้ก็สองสามคนนะนักศึกษาเคยมาถามว่าคือเป็นมุสลิมอ่ะนะแต่เขามาถามตอนเข้าแล้วอะ่ะอันนี้ที่ทําให้ผมนี่มันจีดเลยอะ่ะ แต่วันที่ก็เห็นใจในะบางที่เอา้าก่อนเข้านี่เขาอาจจะไม่รู้หลักการศาสนาก็ได้พอมารู้ที่หลักนี้ก็เป็นไปได้ก็ก็เห็นใจเขาอะนะถ้าเรื่องการศึกษานี่มันเป็นเรื่องใหญ่กันมันไม่ควรที่จะเออต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเข้าคณะน ốt คณะนี้นี่ก็ต้องศึกษาให้รอบคอบเลยคือเขามาตกใจเนะี่ยพอต่อเข้าแล้วอะนะอ๋อมันต้องวาดรูปภาพแล้วก็ต้องมีโมเดลที่เปื้อยกายเช็คทําได้ไหม ไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบอนี่เหมือนก็เหมือนกันแหละบางอย่างนี่เราต้องปลีกตัวห่างไปนิดนึงเพราะมันจะมีความเสี่ยงและมันไม่คุ้มกับการศึกษามันไม่ยิศาสตร์ที่จะทำให้เราได้เจริญเติบโตในในในใ น, ในด้านที่สร้างประโยชน์กับกับมนุษย์นะอ่ะนะในอิสลามนี่สังเกตได้ใ น, ในอารทํามอิสลามเนี่ยเรื่ศิลปกรรมนี่ สถาปัตยกรรมนี่จเจริญ ม, มากแต่สังเกตได้ไม่มีรูปสัตว์ไม่มีรูปคนไ ม, ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยในอรารยธรรมที่มีที่มีก่อสร้างใหญ่โตใหญ่หลวงสวยงามมานะก็ของแสญญาเขาระวเขารู้แลวเขาระวังไงเพราอว่าถึงขนาดที่ในเมืองไซปรัสในเกาะไซปรัสเนี่ย <c oughs> เคยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเมืองของมุสลิมอะแล ะ, จะเจริญ ม, มาก จนกระทั่งคริสได้มายึดเอาคืนเพราะตอกลนี่เป็นของโรมันไงเขาก็มายึดคืนพอมายึดคืนแล้วเนี่ยก็มีมุสลิมที่เขาไม่ยอมอพยพไปไหนเนี่ยแล้วก็เป็นช่างเป็นช่างเขาก็เรียกช่างเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงไอม้มสซิตที่เคยเป็นมสซิดใหญ่โตเนี่ยให้เปลี่ยนหมดเลยนะใหเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็เอาไอ้ไอ้พวกไอ้ไอรูปปั้นอะไรต่างๆนี่มาใส่นะแต่ปรากฏว่า มุสลิมที่เป็นช่างเนี่ยเขาก็ไม่ลืมไม่ลืมว่าเขาเป็นมุสลิมเนื่องจากความจําเป็นว่าต้องถูกจ้างถูกบังคับมาทํานูน่นทํานี่เนี่ยแต่ปรากฏว่าโบทเนี่ยเวลาเข้าไปศึกษาดูนะเอ๊ะมันมีมันมีบางช่วงนี่เขาเขียนเขาเขียนเป็นคําพูดเป็นคําพูดภาษาดับถูกกําชับแล้วถูกกําชับแล้วว่าห้ามเขียนคุรานนะเพราะเขาเป็นช่างมุสลิมเนะี่ยเขาเขาทำ สี่รับประการของเขาเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอ раб เพราะเขาเป็นภาษาอับเป็นภาษ า, าอื่นเขาไม่เป็นไงความสวยงามของตัวอักษร ข, ของคำํำต้องเป็นภาษาอับเขาก็ได้แต่จะห้ามเขียนเป็นเป็นคุร์านโดยเด็ดขาดไอ้ช่าง น, นี้ก็ไม่ก็ไม่ได้เขียนกุรอรานแต่เขียน دعاء hasbiyalla hasbiyalla ไม่มีในคุรอราน hasbiyalla ของอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสําหรับช่าฉันไม่รู้จะทำอะไร <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นในไซปรพลัสนี่เขาบอกว่าเขาก็ายังอยู่มันแสดงว่าคือคือคือมุสลิมบางทีเวลาเวลาเวลาจนทางจนจนมุมมันะบางทีเขาก็มีมีเรื่องนี้แหละที่จะสามารถระบายได้นี่ก็คือดูอาหรืออะไรที่มันมันเป็น <c oughs> ชีวิตของเรานี่ให้กุศลเนี่ยเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่มหมายถึงว่าอ่านทุกอย่างยกเว้นกุร <c oughs> อ่านคืราก็อ่านทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีข้อตอ่านทุกอย่างเลแต่อ่านจริงจอ่านหมดเลยนะ่ะอ่านหมดเลยดูทุกช่องดูทุกช่องดูทุกเว็บดูทุกแอพยกเว้นอะไรกับคุรอ่านมีมีเรื่องของข่าวเนี่ยเาอาอ่านอ่านอนะมีเรื่องน ะ, ะมีเรื่องที่ออกจากพักนุ่นไปพักนี่หนู มีอ่านเรื่องเรื่องไอง้ทมนอุด่าสนใจมากแต่พอมีเรื่องกุรอ่านเอาไว้ก่อนไว้ที่หลังก่อนไว้ที่หลังเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านไอ้เทาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราไม่แฟร์กับ knowledge กับกับองค์ความรู้ที่เราต้องมีเราต้องการให้ยังอื่นเนี่ยมีฐานมี data เยยะนะแต่กุรอ่านเนี่ยเราไม่ยอมที่จะเพิ่ม data เลยเรามีความรู้น้อยกว่า มีความรู้เรื่องบอลเรื่องเรื่องเกมเรื่องอะไรนี่โอ้โหนี่ถามเนี่ถามมาเลยเราชํานาญมากเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องศาสนาละข้อมูลเพื่นพืชอนโอ้ยเรื่องศาสนานี่ผมไม่ใช่อเล่มแน่แต่เรื่องบอลล่ะไม่ตรงอนั้นนะเรื่องไอเรื่องของดุนยานี่ฉันได้อีภาษาล่ะภาษาเดนี่เกหลีก็เป็นละเกหลีจีนอะไรนี่ มาหมดละภาษาอังกฤษมันย่อกระชิกมันย่อจีนน่ะไม่จีนน่ะนะจีนน่ะไม่ยา ก, ะ น, ยาก น, น, น, น, นะภาษนะาอังกฤษนี่มันยากคือหมายถึงว่าอ่านไปแล้วน่ะนะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรนี่อ่านหมดแล้วแต่พรากฏว่ฟาติฮายัางอ่านไม่เป็นมันมีมันมีในสังคมไม่เห็นไงมันไม่ได้มันไม่ควรเป็นแบบนั้นไงมันไม่แฟร์มุสลิมจริงจริง เกิดมาเป็นมุสลิมเกิดมารู้ว่ามีพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้านี่มีสารส่งมาแล้วเราไม่สนใจไม่สนใจสารที่มาจดหมายที่มาจากอัลลอ์นี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านค่อยอ่านแล้วเราจะนึกถึงกุศานี่ตอนไหนอะตอนมีตอนมีคนตายแล้วก็นึกบทเดียวต้นเดียวแล้วนอยู่ในกระต้นเนี้กุศานี่มีกี่ส่วนนะร้อยสิบสี่ส่วนจริงนะบางคนนี่ จำต้นนี่จำสุรอนี่จำแม่นเลยจำแมแ่นเลยสุรออื่นยังไม่เคยผ่านไม่เคยแวะไม่เคยดูเราคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับต่อตัวตาอหน้าสุภาณวุฒิอะไรให้เราได้คุ้นเคยกับคุฎอ่านกุฎอ่านอยู่ในหัวใจอยู่ในสมองให้เราได้มีความสนิทสนมมีความรักใคร่กับกุฎอ่านอุฎอ่านทุกวันศึกษากุฎอ่านทุกวัน ยิง่งอ่านกุตอ่านมากขึ้นยิ่งเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นยิ่งทราบซึ่งในคุณลักษณะในสีฟ้าของอ่อนล้ามากขึ้นแล้วก็ถ้าเราทราบซึง่งทราบซึ่งในคุณลักษณะของอ่อนล้าเนี่มันจะมีความสุข ช, ชีวิตของเราในทุกอย่างมันจะมีมันจะมีคําอธิบายเราเห็นอะไรเจออะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรนี่กุฎานจะอธิบายให้ความรู้ที่มาจากกุฎานนี่จะชี้แจงให้จะอธิบายให้แล้วเราจะสบายใจเราจะมีคําตอบ นะครับ่ติงนอันนะครับ و ص ل ه على ن ب ي ن มีถามมครับบาปของคนที่เดตัดหน้าคนละหมาดบาปแค่ไหนครับแล้วก็สิ่งกทีุ่้่เามาตั้งขวางกันหน้าคนละหมาดอ่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่เพราะนะครับนี่บทหนึ่งท่านเขาถามว่าคนที่ตัดหน้าคนละหมาดนี่เป็นเป็นบาปใหญ่ไหมแต่เป็นเป็นบาปแค่ไหนก็เป็นบาปใหญ่เพราะท่านนี่บอกว่าถ้ารู้นบอกว่าถ้ารู้่ บาปขนาดไหนเนี่ยจะรอถึงจะรอสี่สิบเนี่ยแล้วจะไม่ตัดหน้าสี่สิบเนี่ยแต่โยกก็สี่สิบนะแต่ผู้รียงานฮะดีษจะเป็นซาฮาบะหรือจะเป็นไหนบอกว่าไม่แน่ใจว่าท่านนาบีหมายถึงว่าสี่สิสัปดาห์หรือสี่สิบเดือนหรือสี่สิบปีคืออย่ว่าสี่สิบวันสี่สบชั่วโมงเนี่ยก็บาปใหญ่ไปนึกว่ารอสี่สิบชั่วโมงเนี่ยแล้วไม่ไม่ตัดหน้าเนี่ยเพราะเพราะกลัวจะบาปใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเป็นบาป ไม่ธรรมดาสิต้องเป็นบาปใหญ่้ เ, เที่ทามาตังไม่เล็กที่สุดเนี่ยครับเพราะว่าต้องต้องต้องมีขนาดเพราะมันมีรายงานหะดิษว่าท่านนาบีเนี่ยเคยละหมาดเคยละหมาดหลังให้มีให้มีประมาณเก้าอี้ที่เขาวางบนอูดขอเขาเรียกมูอัคริรตุรหัลเก้าอี้ที่เขาวางบนอูดเป็นที่นั่งที่เขาวางบนอูดมันจะเป็นมันจะเป็น <c oughs> เหมือนไม้แล้วก็มีเหมือนบอกนะวางบนนั้นนะ่ะซึ่งความสูงของมันนี่โอลมาเขากะว่าประมาณสองคืบสองคืบนี่เหมือนประมาณเนี้ประมาณสองคืบฉะนั้นจะละหมาดนี่ให้เคาเด็กสุดตรอให้มีสุดตรอเนี่ยประมาณสองคืบเป้ถ้าสองคืบนี่ก็ได้เป้กระเป๋าอะไรที่มันสองคืบเนี่ยเป็นสุดตรอมันต้องสูงไนงะถ้านอนนี่มีประโยชน์อะไรมันจะสองคือบอยังไงสองคืบมันก็ต้องสูงไนงะต้องสูงสองคืบนะ แล้วก็ต้องอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยรัศมีของมันเนี่ยคือรัศมีสุญูดรัศมีสุญูดคนที่จะผ่านหลังจากนั้นนะนะหลังจากสุร้อนนี่ไม่มีปัญหาหรือถ้าสุตระนี่เรามาวางมากกว่าใกล้กว่านั้นใกล้กว่ารัศมีสุญูดเนี่ย ใ, ใครจะมาข้ามหลังจากสุตระนี้นะถึงแม้ว่าอยู่ในรัศมีสุญูดแต่มีสุตรอนี่ก็ถือว่าไม่บาปแต่ในกรณีที่ไม่ได้ใส่สุตระนี่คําถามต่อมา ถ้าไม่มีสุตระเนี่ยไอ้ที่ขวางเนี่ยเราสามารถข้ามได้ไหมข้ามตัดหน้าในรัศมีสุญูดนั้นน่ะคือบาปแต่ถ้าข้ามตัดหน้าเนี่ยเลยรัศมีสุญนะูดเน่ยทัศนาอุลมาส่วนมากบอกว่าไม่ถือว่าตัดหน้าคนละหมากก็ไม่ตัดหน้าจริงไงเพราะว่าข้ามสุญูดเ ข, ข้าในแค่นี้ใช่ปะเพราะเขาไปข้ามเลยตำแหน่งที่เขาเลยเพื้นที่ที่เขาสุดนี่ก็มไม่มีปัญหาในทัศนาอุลัมาส่วนมากเขาถือไหมถ้าหาว ก็ผิดเขาผิดคนที่มายืนหน้าประตูสมมติในประตูมียืนหน้าประตูแล้วก็คนเข้าออกเขาออกไม่ได้เนี่ยเขาเนี่ยผิดเ <c oughs> ขาเนี่ยผิดอันนี้คือที่บอกทั้งหมดนเนี่ยคือทัศน์ที่ถูกต้องและมีน้ําหนักมากกว่าทัศนาอุอาอลามะบางท่านนะครับ <c oughs> ได้บอกว่าการตัดหน้าการตัดหน้าเนี่ยถ้ามีความจําเป็นหน้าตัดหน้าได้แล้วไม่บาป แล้วเขายกตัวอย่างที่มัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมนี่คือซับนี่มันติดติดตดตดกันมากแล้วคนเยอะด้วยแต่หน้านี่ค่อนข้างยากทัศน์อัลเมาส่วนว่าบอกว่ามีความจําเป็นเนี่ยไม่บาบมีความจําเป็นไม่บาบมีทัศน์อย่างเช่นอัลบานีเนี่ยบอกว่าแต่ที่ไหนก็ตามนี่บาบทั้งนั้นแหะบาบทั้งนั้นแล้วมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือท่านนาบีบอกว่าไอ้คนนี้มาตัดหน้าเนี่ยต้องห้ามเขาฉะนั้นมีซุนนะถ้าใครมาตัดหน้าอย่างเราต้อง เอามือนี่มาห้ามเขาแล้วถึงขนาดที่นบีบอกว่าถ้าเราห้ามเขาแล้วเขาเขายังอยากจะดือ้อจะมามาตัดหน้าอีกนะนบีบอกว่าให้ต่อสู้กับมันเพราะมันเป็นไชตอนอันนี้ที่มันเกี่ยวข้องต่อสู้ต่อสู้ก็จ ะ, จะเอาอะไรมึจะเอาอะไรคือจะละหมาดไม่ได้ไงคนจะไปไปมาไปมาแบบนี้เนี่ยคือจบแล้วมาตรงละหมาดแล้วสิ ห้ามแล้วก็ไม่เอาเนี่ยมันมันละหมาดไม่ได้ไงห้ามแล้วกูจะไปยังไงได้ก็ไปที่อื่นไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าในละหมาดคุยนะไม่ใช่นะแต่ที่ว่าเราห้ามอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาอยากจะห้ามไม่ได้ไงก็ไม่ตรงละหมาดเนี่ยเขต้องเคลียร์กับเขาแล้วก็ค่อยละหมาดไปงั้นละหมาดไม่ได้ไงส่วนทําไมนบีห้ามตัดละหมาดเพราะคาว่ากัดกัดอุศกัดกัดอุศร์นีการตัดละหมาดเนี่ย มีทัศนะหนึ่งบอกว่าทําให้การละหมาดนี่เสียหายแต่ทัศนะที่อ่อนมากาที่ท่านน บ, บีบอกว่าสิ่งที่ตัดละหมาดนี่สิ่งที่ตัดละหมาดนี่หนึ่งลาแล้วก็สตรีแล้วก็หมาตัวดําแต่น บ, บีหมายรวมเรื่องนี้หมายรวมสิ่งที่มันจะทําให้ มีแค่นาบียกตัวอย่างมันเป็นอุทาหรณ์ไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่มีคชั่วในละหมาดล่านี่คือภาหนะกระทุกภาหนะหรือเครื่องใช้เครื่องมือถ้ามันมาตัดตัดหน้าเนี่ทำให้เราเนี่ยเสียขั่วก็อย่าให้มันตัดตัดการละหมาดของเราอุลามาบางคนตัดละหมานี่ ท, virgin, ที่บอกว่าท้ศนาที่อ่อนมากนี่ก็คือทําให้เสียละลหมาดนี่นี่นั่นศาสนะอ่อนมากนะทัศนะที่สองนี่ทําให้ผลละบุญของเราเนี่ยลดลงนี่ทัศนาของของอุลลมาส่วนหนึ่งก็พอสมควรนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าเราคนที่ละหมาดแล้วก็ยอมให้คนตัดหน้ายอมตัดหน้าไปแล้วก็ไม่ทําอะไรนะผลละบุญจะน้อยลงแต่ทัศนาอุลลมาส่วนมากกว่าไม่ใช่ตัดตัดละหมาดเนี่ยตัดหน้าละหมาดเนี่ยก็หมายถึงว่าทําให้เราเนี่ย ขัช่วนีน้อยไปและคนที่ขั้วชั่วน้อยไปย่อมมีผลบุญน้อยลงเพราะเรายิ่งมีขั้วช่วมากขึ้นยิ่งมีผลบุญมากขึ้นแล้วถ้ามีอะไรมาตัดหน้าแล้วก็เราก็ปล่อยให้มันตัดไปตัดมาอย่างนี้นะเราก็จะมีขัช้ช่วน้อยลงผลบุญก็จะน้อยลงประมาณนี้อันนี้เขาบอกว่าที่เขาตีกว่าการทำควมดีแค่ได้เนแต่เนได้ารมนะนอกจากการละหมาดที่ได้หนึ่งแสนเท่าการทำความีอยอื่นได้ไม่มีตัวบทหลักฐาน ผู้ถามบอกว่าความดีในมัสยิดฮารอมแผ่นดินฮารอมเนี่ยละหมาไดได้กระแสนเท่าแล้วก็ความดีอย่างอื่นล่ะนึบริจาคหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งแสนบาทัหมมันไม่มีตัวบทหลักฐานแต่คิดว่า <c oughs> หวังว่าถ้าการคำนวณผลบุญตามตัวบทว่ามันผลบุญเป็นอย่างนั้นมีความเป็นไปได้ แต่มาเราไม่มีตัวบทหลักฐานยีเนียนแต่มีความเป็นไปได้ว่าความดีอย่างอื่นก็อาจจะถูกคิดอย่างทวีคูณเช่นเดียวกันคือการคิดอย่างทวีคูณของความดีทั่วไปเนี่ยมันมีนะทุกความดีนะมีโอกาสหนึ่งเท่าถึงสิบเท่าเนี่ยอันนี้หถึงสิบเนี่ยอันนี้ทุกทุกการงานความดีถึงเจ็ดร้อยเท่าอันนี้แล้วแต่คุณภาพของงานของแต่ละคนบางคนเนี่ยก็จะได้ทุกการงานถึงเจ็ดร้อยเท่า มากกว่านั้นน่ะต้องมีหลักฐานมากกว่านั้นต้องมีหลักฐานเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการถือสินอดการถือสินอดนี่มากกว่ามากกว่านั้นเราจึง บ, บอกว่าสงวนที่จะตอบแทนอย่างทวีคูณด้วยตัวพระองค์ท่านเองแต่มีผู้รู้บางท่านบอกว่ า, าการถือสินอดนี่คืออะไรคืออะไรที่เรียกว่าการถือสินอดวลมาได้บอกว่าทุกอย่างที่มันอื่นจากการกิน จากการดื่มจากการร่วมหลับนอนอื่นจากนั้นนะ่ะนะถือว่าการถือสินอดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทุกการงานที่มันเป็นความดีขณะถือสินอดนั่นนะมันก็คือการถือสินอดอาจจะคุณว่าเราละหมาดสุนนะหรือการบริจาคหรือกำลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความดีขณะถือสินดอดการงานนั่นน่ะนอกจากว่าเป็นความดีนะแล้วมันเป็นการถือสินอดด้วยเพราะมันคือตรงข้ามกับ การกินการดื่มกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสได้ผ ล, ลบุญทวีคูณของการถือสินดไปด้วยฉะนั้นถ้าเราถ้าเรามองว่าการละหมาดได้แสนเท่าในแผ่นดินฮารอมเนี่ยพเพราะอะไรก็เพราะเพราะมีความศักดิ์สิทธิม์มีมีคุณค่าของของแผ่นดินก็เป็นไปได้ว่าทําความดีบนแผ่นดินฮารอมเนี่ย อาจจะถูกคิดอย่างเทวีคูณแต่เราไม่สามารถยืนยันว่ามันเป็นโมเมนต์มีตัวบทหลักฐานครับในซอบละหมาดเนี่ยพอเราละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเรามีธุระจะออกไปแต่พอเรามีมัสบุ๊าละหมาดอยู่เราปฏิทินงารที่เราไปจะต้องตัดงานอันนี้ก็กำลังละหมาดกับอิหมามอยู่ใช่ไหมละหมาดจบละอิหมามให้ตลาดเรียบร้อยละแต่มัสบุกเขาต้องมีแถวอยู่แล้วเราเราโดยเดินออกไปในทิศทาไม่ไม่ควรไม่ควรตัดหน้าเขา ก็ต้องหาช่องนั่นแหละใครที่มซอมตอกมันเป็นสรอถ้าอยู่ในละหมาดถึงผมถามว่าตอนอยู่ในละหมาดได้ไหมถ้าอยู่ในละหมาดนะสุดรรอของอิหม่ามนี่คือสุดร้อยของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถ้ามีคนเห็นช่องว่างนี่นะขณะอิหมาดละหมาดอยู่สามารถข้ามได้เลยหรือถ้ามีคนอยากจะออกอ่ะสมมติว่าผายลมเสียน้าละหมาดแล้วก็อยากจะออกข้ามได้เลยไม่มีปัญหา เพราะของเขานี่ไม่ต้องมีสุตราสุตราของเขานี่คือสุตราของอิหมัดสุตระตุลอิมสุตระตุลอิหมมูแต่ถ้าอิหมัดไซมเสร็จแล้วได้ร้อยแล้วเนี่ยสุตราใครสุตรามันอยากทราบเ่จตนที่ันนีทในท่านัญญากร ย, ยังไม่ได้มาถึงพวกเข า, าแล้วังได้าเพรา่าในอ่รืไงถ้าออกคือการการใส่เกียวว่างมันต่างยังไงกับ อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธให้เกียร์ว่างไปก่อนให้ศึกษากับมุสลิกีนที่เขารอรอจนกว่าจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยรับใช่ใช่ก็คือไม่ก็คือเกียร์ว่างตอนแรกนี่คือหมายถึงว่าเขาไม่ปฏิเสธแต่เขาต้องศึกษาไอเรื่องเลือก จุดยืนจะอยู่ข้างใครเนี่ยอันนี้มันอีกประเด็นหนึ่งแต่พวกนู้นนะ่ะนะเขาศึกษาไปแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าท่านเบีมฮามันเป็นนบีไอ้นี่มันยังไงยังยังยังไม่ยังไม่ชัวร์แต่ไอพวกนู้นนะ่ะรู้แล้วนบีมฮามันีัชัวร์เลยแต่แต่ถ้าฉันไปช่วยนบีแล้วก็กูเรชชนะล่ะช่วยถ้าไปกูเรชแล้วก็นบีชนะล่ะเขาก็กูก็วแสดงว่าสัจธรัมอุอรนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตั้งสําหรับเขาจึงถูกตําหนิพวกนี้ آه ن ي س و ا ن ب ي ا ئ ه م ومن الناس من يعبد الله على حرف مندبن ا م ن ن كونية سكارا أيباده تا الله نية بن كم داق كم د ا م ا ذ ن ج و ة س ماي ماي ماي شو فان أصابه خير ن ط ما ن ب ي ว่านซาบัตุฟิทนตุนอินกลับอัลวะจีข้าศร์ดุนยาถ้าได้ประสบความดีถ้าได้มีรายได้ดีเขาก็อิสลามนี่ดีนะอิสลามนี่รับอิสลามแล้วเจริญนะมีรายได้ดีนะแต่ถ ا, إ ้ารับอิสลามแล้วแล้วก็จนมีปัสุสัตว์ก็ไม่มีลูกโอ้อิสลามนี่ร้างไม่ดีมันโชคไม่ดีเลยมีเอาดีกว่าซึ่งมันเกิดขึ้นจริงสมัยท่านนบีเนี่ยอาหรับบางคนเนี่ยที่ มารับอิ伊ามแล้วพอรับอิสลามแล้วนี่กลับบ้านนี่ปรากฏว่าปสสศุสัตว์ของเขาเนี่มีอูดมีแพะมีอะไรนี่นะไม่คอดเขาก็ไม่ค อ, อ, อดแล้วนี่เอาแสดงว่าเนี่ที่รับอิสลามมันก็กลายเป็นเรื่องแช่งฉะนั้นไม่เอา伊斯兰ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวในในเรื่องแต่เขาเลือกข้างเลือกผลประโยชน์ไงอย่างที่ผมบอกก็รอรอรอจะเลือกใครจะเอาใครเนี่เอาเอาคนที่เขาได้ได้นะวันวันที่ มาหอนี well, ่จะได้รู AH ้ว <if> ่าใครจะมาให้ซองหนากว่าใครใครจะมามาซื้อเสียงมากกว่าใครนี่ได้สัญญาเอาใครจะให้ข้าหมกกี่หม้ออันนี้ก็มาดูก่อนประมาณนี้มีคำถามอีกอื่นหมครับไม่มีก็เพียงแค่นี้นะครับซักละนะบียรนะมุฮัมมัดวนอลอฮสซาดิลลัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิัมดิลลอฮ์อัลลอิลาอิลัลตัสัฟรุก